ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสอนพระนอกภานะนะสอ น, น, นให้ชูวร์คือไม่ให้ทำตัวกลางคุณยให้ประสาทปิบันก็อย่าไปกลางอย่าไปทำว่าตัวเองใหญ่โตคนจะต้องต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้เพราะถ้าเกิดเขาไม่ต้อนรับเราแล้วเราจะเราจะเสียใจเพราะคนที่ เขารู้จักเราก็ามีแม่รู้จักเราก็มีคนที่เขาที่ว่าเขาใหญ่กว่เราก็ามีนี่ถ้าเราทําที่ว่าเราทําตัวเราให้หนักตามที่สุดเหมือนถ้อยู่ที่วัดหลวาจางก็ท่านผู้ว่าทำตัวเหมือนผ้าชีวีผ้าเช็ดท่ครายเปียกขายยาวไปเช็ดเท้าไปเช็ดอะไรเข้าไปเป็น เ, د, เ, เ, เ, เนสียหาย พราะาเราไปคิดว่าเราเป็นผ้าขาวผ้าขาวใครเอาไปเช็ดอะไเปื้อนอย่างนี้เราก็เกิดโทษะทาไมเอาไปผ้าผ้าดีไปไปไปเช็ดอย่างนั้นจะทําให้มีสวขที่ใจขอยงเราเนี่ยมันมันจะมีความสุขเป็นความสบายตวามเมื่อมันไม่มันไมนไ่ถึงตัวมันไม่มีไม่มีมันละ ไม่ถือตนเพราะการถือตนนี่มันเป็นโมหะวิชาเป็นความหลงเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นเหตุที่ทําให้ใจต้องทะเยอทะยานดิ้นรนอยู่เรื่อยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยไม่ได้เลยนะต้องฝึกเข้าหน่อย เรื่องของใจนี้มันเป็นเรื่องที่มันถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จะปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติสวนทางกับความเชื่นของใจเข้าใจมีมีมีตัวที่คอยจุงไปให้ไปในทางที่ผิดว่มมาเพิ่งโมหะมรรคชยัยไม่ ไม่ทราบว่าอะไรทําให้าจทุดขมีพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ว่าอริยสัจสี่ที่สอ น, นว่าความทุกข์เกิดจากสุทยัยคือความอยากคาประการความอยากการอยากในการแยามีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนรีกวาการมัจหานภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหา คือใจนี่หิวกับลูกเสียงกิดรอดปวดศรักให้นั่งหลับตาไม่รูสึกเบื่อัดนั่งไม่ได้งานถ้านั่งดูหนังสองชัวโมงสามชวโมงก็ดูได้ไม่เบื่อตัดซึ่งเวลาเรานั่งรถเนี่ยถ้ารถมันวิ่งเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเปื่อัดถ้ารถมันจอดเนี่ยนั่งไม่ได้รู้สึกเบื่ตัดถ้าลงได้จะต้องลงไปเดินไปอาย การมตันตัวความอยากในรูปรูปนี้ต้องมีการเป็นรูปแปลกๆใหม่ๆอเยอยๆถ้ารูปเก่าเสียงเก่าดูแล้วฟังแล้วจำเจก็เกิขอขอขอดความเบื่อหน่คนถึงเปลี่ยนคู่กันอยู่เรื่อยเวลาเจอคนใหม่ๆก็รู้สึกว่าดีไนหมดน่าชื่ชมชมนชหน่ารักน่ามีนีย พอจำเจอยู่ด้วยกันไปแนละ้วจำเจชินชาแนละ้วจำเหยื่อไหลขึ้นมาถามอะไอยากก็ได้เลยมันก็สร้างความดึงดันกบแก่งให้กับจิตใจจิตใจถ้าดึงดันเท่าไหร่ก็มีแต่ความทุกข์มากขึ้นไปทางนั้นธรรมชาติของใจนจะสุดได้ก็ต่มเมื่อใจหยุดใจนิ่งใจสงบ ดีใจจะนิ่งใจสงบได้ก็ต้อ ง, งระงับจากปัญหาความอยากต่างๆให้ได้ที่น้องไม่รู้เลยเรากลับคิดว่านิ่งอยากไม่มีความสุมขพออยากจะดูภาพพยนต์มราก็ออกเป็นภาพพยนต์มมกันตอนอาจากบ้านนั่นโอ้โหเหมือนไก่บินมีใจไม่เป็นมือหนังได้ได้ทําเลยพอเสร็จกลับมาบ้านเพิว่า ข้อพับเหมืนหา ก, ก, นกาินเวลาไปเหมือนกลายเวียนเวลากลับมามืนหา ก, กินแต่พราะนี่มันเป็นธรรมชาติของสองกิเลสมันเราก็ใจไปมาอยู่เรื่อยๆเมื่อใจไปยินดีกับกิเลสเข้าเหมันก็เลยมันก็เลยทุกข์ถ้าใไม่ยินดีกั บ, ก, บกิเลสแล้วก็จะเฉยๆเมื่อเฉยๆมันก็จะสงบ มันก็จะนมันก็จะ ม, มีความสุดเนี่ยคือประเด็นสำคัญหรือหรือครือจุดที่สำคัญที่สุดของของชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้อ ย, นอยู่ตรงประ อ, อริยสัจคือมีสมุขมีสมุทัยหรือไม่มีสมุทัย การสมุทัยดับมันก็ไม่รอดก็เกิดขึ้นมาคือความทุกข์กระดักไปทีนี้การที่จะทำให้สมุทัยนี้การที่จะละสมุทัยได้ตักสมุทัยให้หมดไปได้ก็ต้องใช้เครื่องมือก็คือมัดมักก็คือมักแปมมัมชนาปฏิปทาย่อเข้ามาก็เหลือเป็นสาม ทานสิ่งภาวนาหรือสิสมาธิปัญญาทีนอยู่กับฐานะของผู้ปฏิบัติถ้าเป็นคาราวาชยานเองก็ทานสิ่งภาวนาในภาวนาก็มีทั้งสมาธิและปัญญาถ้าเป็นบัณฑิตเป็นนักบวชก็แค่ก็สิ่งสมาธิปัญญาเพราะทาง น, นี้ก็บทหน้าที่หมดไปแล้ว ผที่ออกบือก็ต้องสะละหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะต้องมาให้ทางต่อไปยกเว้นท่านที่ทําได้บรรลุแล้วแล้วท่านมัเกี่ยวข้องกับทางโลกแล้วมีผู้ถวายข้าวของเงินทองให้กับท่านท่านก็เอาไปบริาจากเอาไปทาําทางต่อแต่มันไม่ได้เป็นทางแบบเหมือนกับที่คารวาสยากโยมทำกัน าการวาดย่าโยมทาเพื่อกําจัด ก, กิเลสคือความโลภความตัณหความหึงหวงแต่สำหรับจิตของผู้ที่บริสุทธิ์แล้วถ้าไม่มีสิ่งเห่านี้อยู่ท่านทําไปด้วยปัญญาด้วยเหตุผลเมื่อมีเดินเก็บไว้ทำอะไรวางไว้เฉยๆทำอะไรเอาไปช่วยสงเคราะห์โลก แต่ท่านไม่ได้อะไรจากการส่งของ้อมูลท่านกระทำไปอย่างนั้นน่ะเสรีชี้คำว่าเมื่อมียังในชีวิตอยู่ยังมีโอกาสที่สัมพันธ์ได้ยากให้กับผู้อื่นก็ทําไปเดี๋ยวถ้าไม่มีข้าวของเงินทองท่านก็มีทรัพย์ภายใท่านก็เอามาสามสองก็ไดทรัพย์ภายในก็คือธรรมะความรู้ที่จะทําให้ผู้ที่ยังไม่รู้ ได้ฉลาดขึ้นได้หลุดพ้นจากพ่วงของบ่วงของมาน่วงของอาวิชามูหะที่ถูมกมัดจิตของของพุทรชนทั้หลายให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในพวกน้อยพวกใหญ่ต้องให้มีแต่ความทุกอยู่ตลองเวลา ท่านก็ทําไปเป็นเป็นธรรมทานแต่ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์จากการทำํำหลังเพราะว่าประโยชน์นั้นท่านได้เต็มที่แล้วถ้าเป็นน้ําที่อยู่ในแก้วก็เป็มเป็นแก้วแล้วจะเติมเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ได้ทานั้นมันก็ดัองล้อนออกมาล้นคืนล้นไหลคืนไป แท่านก็ทำเพราะความเมตตาเพราะความกรุณาเพราะพระพุทธเจ้าหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในอะไรพระคุณของพระพุทธเจ้าก็คือพ ร, พระมหากรุณาคุณที่มีต่อสัตว์โลกทรงสละเวลา45พรรษาที่หลังจากได้ที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ตรัสรูแล้ว ขณะที่ตัดจะรู้ก็พระชนมวันที่สาสิบของพรรษามันก็อยู่ไปถึงแปดสิบรรษาสี่สห้าพรรษาสี่สห้าปีนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทําภารากิจของพระศาสานาเึ่องวีอยู่ห้าประการด้วยกันที่เรียกว่าพุทธกิจของที่พระพุทธเจ้าทรงส่งปฏิบัติเป็นประจำทุกทุกวันเช่น ตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนคารวะยากโยมตอนค่นก็อบรมสั่งสอนพระพุทธศาสนาตอนด็กก็ตอบปัญหาเทวดาอบรมสั่งสอนเทวดาแล้วตอนกลางสว่างตอนที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปบินบา่าก็ส่งเงินยาดหรือว่าจะไปโปรดผู้ใด ผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับพระธรรมได้อย่างรวดเร็วก็จะมุ่งไปตรวจคนนั้นในวันนั้นพอสว่างก็ทรงออกบินสบายมีก็มีอยู่ห้าประการทางสอนยาตรโยมตอนบายพระภิกษุสา ม, มเณรภิกษุณีตอน้างเทวดาตอนเด็กตอนก่อนจะสว่างก็ มุ่งไปที่คนที่จะไปปลดในวันยิ่งขึ้นแล้วก็ไปปรดช่อไปปลดค น, น, น, นคนนั้นคนนั้นแล้วก็ส่งออกยินตบารเป็นภารกิจประจําของพอระพุทธเจ้ายินตบาร์นี้รู้สึกว่าต้ อ, องค์ทรงถือเป็นเป็นภารกิจที่สําคัญพอๆกับการอบรมสังสอนเลย ม, มีมีภารกิจอันนี้ที่ส่งปริบัติ ที่เป็ น, นอย่งในธุรกิจห้าประการนี้กันท่สงสอนแม้แต่พระบุญใหม่ก็ส่งสอนให้บินสบาตให้บินสบาตไปตลอดเพราะเป็นเป็นสามีกิกรรมเป็นเป็นจิตที่เหมาะส ม, มกับนักบวในพระถดงเขวาวัดก็สง่งทรงแสดงไว้ให้บินสบาตเหมือนกัน แต่พระพระภิกษุสามนเณรที่บวชกันสมัยยุคที่ทราบ ว, ว่าเขาเขาได้ยินได้ฟังบ้าน น, นี้เปล่ารู้สึกว่าเรื่องยินัะบายนี้จะไม่ค่อยจะประทับใจกับท่านเท่าไหร่ท่านจะโตเนี่ยเกิดนิมนตลยอะมากกว่าถ้านิมมวนไปชั้นที่บ้านแล้วรู้สึกว่าแย่งกันขึ้นรถไม่ทัน <c oughs> ถ้าไปบินธบาลไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใส่กันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งถ้าอาจจะชอบนอนดึกจะตื่นสาย <c oughs> บินธบาลนี่ต้องตื่นแต่เ <c oughs> ช้าสองมันลำบากบางทีฝนฟ้าตกก็ต้องไป่ต้องเดินต้องมีอาหารใสบาตรมันก็หนักไม่เหมือนกับการไปฉันกิจมิมน นอนตื่นสายๆ <ใน S 1> เขาก็มารับไป ม, มือมุดเก็งมารับไปถึงบ้านไปถึงบ้านเขาก็จัดอาหารใส่ภาชนะต่างๆเองจะไปนั่งสวนให้เขาหน่อยทางนีน้แล้วยังมีท้องแถมกับติดบ้านติดติดกลับบ้าอ <c oughs> ถ้ามองไปทางโลกมันก็ดีมองไปทางกิเสมันก็ดี ถ้ามองไปในทางขัดข้าวเกเรมันก็ไม่ดีเเกสมันไม่เบาบางลงไปเกเรมันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเราอยู่ไปก็จะรุ่มร้อนจิตใจได้เข้าในข้องได้แต่งซื้อต่างๆมาก็อยากจะซื้อสิ่งนั้นซื้อสิ่งนี้ไปเดินเท้าพันทิพย์้าชอ็อปซิงกันเต็นไปหมด ท่านก็อ้างว่าท่านไปซื่ออุปกรณ์การเรียนจริงวนแล้วน่าจะเข้ามาเข้าเขาดีกว่าคืออาจจะเรียนบ้างแต่ดี๋ยวนนี้ก็ไปอยู่ป่าปวัดป่าวัดอะไรนี้ครูบาอาจารย์นั่นก็สอนอยู่แล้ว ไม่ต้องเรียนแบบเอาประกาศปฏิยบัติมนสมัำนักโบราณท่านก็ไม่มีประกาศปฏิยบัติบว อ, อยู่สำนักครูบาอาจารย์หรสำนักของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยทุกข่ามกันได้อยู่ไดสฟังเทศบอบรมสั่สอนอยู่เป็นประจำนีูแล้วเมื่อรู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรก็เปลี่ยนชีวิตไปในเบื้องต้นก็ถ้ายัา ง, ยงจิตใจยังไม่แข็ขขอของคอก็อยู่ ในสำนักไปก่อนคืดให้จุดมีความแข็งกล้าหาญเพราะว่าการจะกำจัดทิเล็คือความกลัวหน้านี้มันต้องไปอยู่ที่กลัวๆเพื่อให้เกิดความกลัวขึ้นแล้ ว, ลวเราจะไดห้หาวิธีต่อสู้กำจัดความกลัวนั้นให้ไปได้ ถ้าอยู่ในที่ตลอดภัยความกลัวมันก็ยังฝังอยู่หลบซ่อนอยเราก็อาจจะคิดว่าเราไม่กลัวแล้วแต่พอเราไปอยู่ที่กลัวๆเข้าจริงๆมันก็ขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาดังนั้นเราก็จะไม่ไม่มีทางที่จะต่อสู้กับมันนะเพราะเราไม่ได้ฝึกไม่มีโอกาสได้ฝึกเราเพียงแต่คิด เป็นจินตนาการในใจว่าความนี้เราไม่กลัวนะแต่เราเรากลัวแล้วไม่กลัวจริงนี่เราต้องเป็นเจอของจริงให้กองเหมือนกับพวกทหารที่เขาฝึกซอ้อมลบกกันอยู่เป็นประจําเขาก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาออกรบจริงจิงนี้เขาจะยังจะกลัวหรือไม่กลัวหรือเขาจะสามารถเอาชนะ ผ, ผู้ต่อสู้ได้หรือไม่จนกว่าได้ออกสนามจริงเพราะนั้นผู้ต่ก็ทูลยงพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงทรงทำหน้าที่หลักก็คืออบรมสั่งสองเพราะถ้าไม่มีอะไรที่พต้องค์ทำอีกต่อไปแล้วตอนที่ทรงบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ จิตในพรมชัจก็หมือแล้วการปฏิบัติถิ่นสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปจะเดินจนกลมนั่งสมาธิก็ไม่ได้ไปทําให้จิตมันสะอาดขึ้นไปกว่า น, นั้นเราสุทธิ์ขึ้นไปกว่า น, นั้นเพียงแต่เพียงแต่ทำไปเพื่อความสบายระหว่งางธาตุขังขันกับจิตทั้งที่ยังมีความเกี่ยวเนื่องกันขันก็ยังมีการทํางานอยู่ร่างกายก็ยังทํางานอยู่ ถ้าไม่เปลี่ยนวิทยาบทมีแต่นอนอย่างเดียวมันก็เหนื่อยก็ต้องรูขึ้นมานั่งบ้างหรือรู้ึ้นมาเดินบ้างหรือถ้าเอาร่างกายนี้มาใช้งานเอามาเทศน์สมาการกล่าวสั่งสอนมันก็เกิดอาการเหนื่อยขึ้นมาได้ก็ต้องมีเวลาสงบสติสงบติตหรือมีการเดินเดินรงครมเปลี่นวิทยาบทความอคลาย แต่ไม่ได้ทำเพื่อชำระกิเลสเพราะไม่มีกิเลสที่จะให้ชำระทำไปเพื่อการดูแลธาตุขัทนานเองให้มันอยู่ใช้งานไปได้นานๆเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นการ หัวใจขางพระพุทธศาสนาก็ อ, อยู่ที่พระอริยาาสัจสี่คือให้เราเข้าใจธรรมชาติของใจว่าอะไรที่ทําให้ใจมีความสุขอะไรที่ทําให้ใจมีความทุกข์ถ้าเราเข้าถึงพระอริยสัจสี่แล้วสามารถปฏิบัติได้เราจะไม่ทุกข์ตลอะไปเราจะละความุ่ง ความอยากาต่างๆทั้งหมดเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็จังละอยากไปยินดีอยากไปอยากไปดูอยากไปฟังอะไรทั้งนั้นนั่งหลับหูหลับตาดีกว่าหลับหูหลับต า, าทํำจิตให้สงบไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรถ้เจิตรวมลงเป็นเป็นหนึ่งได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะ เห็นความหมายของการของความสงบคือพระพุทธเาทรงกล่าวไว้ว่าไม่มีความสุขใดในโลกที่จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสนุกของใจถ้าได้สัมผัสความสงกแบบนี้เพียงครั้งเดียวแล้วปล่อยได้หมดเนื่องความสุขทางโลกทางตาทางหูทางจิตทางนิง้ว ท, ท, ทางกาย จะมุ่งไปหาที่สงบสงบยุ้ยเมฆตามป่าตามเขาแั้นก็จะใช้เวลาทั้งหมดที่มีบำเพ็ญทาจิตให้สงบให้มากขึ้นไปเรื่อยๆครั้งแรกที่เราได้สัมผัสันเพียงชั่วขณะนั้นเองแต่มันมีอารมณ์ภาพมาก ม, มันเป็นเหมือนกับดูโฆษณาที่ดูแล้ว จะต้องทำตามที่เขาโฆษณาแล้วก็จะไม่ทำอย่างองื่นถ้ามีภาระอะไรต่างๆเพื่อพยายามที่จะเคลียร์เพื่อที่จะตัดให้หมดไปไม่ได้มีเวลาทำภารกิจ อ, อย่างเดียวนี้คือการทำจิตให้สงบการทำจิตให้สงบนี่เป็นเพียงงานเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะ จิตที่สงบด้วยสมาธินี้ไม่ได้กำจัดการมาปัญหาภาวะปัญหาหวิภาวะปัญหามันเพียงแต่สงบตัวตามตามความสงบของจิตแต่ขณะใดที่จิตไม่สงบจิตออกจากความสงบแล้วมีความคิดความปรุงความอยากต่างๆเหล่านี้ก็จะแทรกขึ้นมาได้ถึงตอนนั้นก็ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนา คือไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ที่ใจกระยากต้องสอนใจว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันให้มันไม่ได้ให้ความสุขมันให้ก็ให้เพียงนิดเดียวให้ในขณะที่ได้มาแต่มันเป็นความทุกข์มากกว่าทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องดูแลรักษาเป็นห่วงเป็นยายเป็นกังวล ทุกข์ที่เกิดจากการเสีย อ, อกเสียใจเมื่อต้องพัดพ า, ากกันไปไม่มีสักอย่างก็ไม่ทุกข์กับเสิ่งนี้เช่นเราเกิดมาเราเกิดมาตัวคนเดียวถ้าเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาไม่ต้องไปทุกข์กับลูกไม่ต้องไปทุกข์กับหลานนันยามาเป็นโซ่เลย เลี้ยงลูกของเต้องตอบไปก็ต้องเลี้ยงหลานอีกไม่ว่าอะไรทไนะั้งนั้นที่เรามีเราได้มาถ้าเราไปมีความผูกพันจะต้องทุกขกับสิ่งนั้นแต่ถ้ามีแล้วไม่ได้มีความผูกพันมีก็ก็มีไปอย่างนั้นไม่ได้เปียากยจะได้มาเมื่อมันมาก็ ม, มาก็ให้มันมาไป ถ้ายังไม่สามารถเอาไปทําประโยชน์ได้ก็ปล่อยวางไว้อย่างนั้นไปก่อนก็ได้แต่ไม่ได้ไปมีความผูกพันไปคิดถึงอะไรประมานเป็นพิเศษถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่ถูกเช่นถ้ามีใครเอาข้าวของกับโค้ ง, ก, งกับข้าอาหา ร, าหารมาถวายก็รับประทานได้ทำได้แต่ไม่ได้ก็อย่างทีรับประทานก็รับประทานไปตาม ตามเวลาตอนเช้าเป็นบินบบตะบะก็ไม่ได้ไปฝันไปอยากว่าวันนี้อยากจะได้อาหารแบบนั้นอยากจะได้อาหารแบบนี้นมาก็มาถึงเวลารับประทานก็รับประทานรับประทานเสร็จมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้มีอะไรหลงเหลือติดอยู่ในใจแต่ถ้ารับประทานแบบความอยากเช่งก่อนจะรับประทานก็คิดก่อแล้วหานะอยากจะรับประทานอาหารอย่างนั้นจอเกิด ก็ต้องไปหาร้านที่ขายอาหารแบบนั้นมารับประทานเสร็จแล้วก็ยังคิดถึงอาหารแบบนั้นอยู่หัวเกิดความหิวก็อยากจะรับประทานอาหารอย่างนั้นถ้าไม่ได้รับประทานก็ทรมานใจดังนั้นขอให้เราศึกษาพระอริยสัจสี่นี้ให้ดีแล้วเราจะได้ รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราถ้าใจของเรามีความสุขแล้วไม่ทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้น ม, มันมันเป็นปัญหากับใจเราเท่านั้นโลกนี้จะเจริญหมือจะเสื่อมมันก็ไม่ได้มาประทบอะไรจากใจเราถ้าใจเรานี้ไม่มีความสุขจาให้สิ่งอื่นๆมีความเจริญใจเราก็ไม่ได้มีความเจริญหรือ ม, มีความสุขตามไปด้วย มันกอให้เรามาที่นี่ที่ใจนี้ไปเพราะใจนี้เป็นเป็นเป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ของเราเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นที่ตัวที่สร้างความสุขให้กับเราให้กับใจของเราอะไรเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราก็ต้องทําสิ่งนั้นสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์เราก็ต้อง <c oughs> เราก็ต้องทำลายมันต้องทำใจมันสิ่งที่มันทำให้เกิดความสุขเราก็ต้องสร้างขึ้นสิ่งที่ทำให้ความสุขกิหลังที่ได้กล่าวไว้แล้วคือปัญหาทั้งส <c oughs> งความอยากในกางคว า, ามอยาก ม, มีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นส่วนส่วนที่ทำให้ความสุขให้สร้างความสุขให้กับใจก็คือมากแ เพราะเมื่อมีมรรคแตกเงนก็จะไปทำลายความอยากทั้งสามนี้เอง <c oughs> เมื่อไม่มีความอยากทั้งสามแล้วทุกข์ก็ไม่มีเมื่อไม่ทุกข์ไม่มีจิตก็สงบก็เป็นความสุขความสุขที่ไม่ได้เกิดแบบสุขไม่ได้เป็นความสุขแล้วสุขเวทนาที่เกิดจากการได้เห็นได้ยินสิ่งที่เราชอบยินดี อย่างนั้นเรีก็าเป็นสุขเรียกพเนจรหรือหรือความสุขที่เกิดจากการคิดปรงปแต่งคิดเรื่องที่ทําให้เราสบายใจอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการที่ไม่คิดไม่รุงไม่อะไรทั้งสิ้นสงบนิ่งเป็นเหมือนน้านิ่งใส <c oughs> นี่คือความสุขอีกแบบหนึน้ที่ไม่ได้อยู่ใน ในในในกรอบของเมทนาในความสุขที่เกิดจากความทรงของจิตเมนาเความสุขเมตนานื่งเกิดจากการสัมผัสรูปเสียงกกิ่โน่าโปรดกัพะหรือธรร ม, มารงที่ชอบ อ, อกชอบใจก็ทาให้เกิดความสุขขึ้นมาหรือความทุกข์ก็เช่นเดียวกัน การจะสัมผัสกับรูกเสีงเกี่ยวกับตัวจัรตมรุนที่ไม่ชอบใจก็เป็นความทุกข์ขนและนี่เป็นความทุที่เกิดจากความสนเกของจิตหลงจากการบำเพ็ญมรรคแปะทานศีลภาวนาก่อนที่จะทำจิตให้สงบได้ก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องสนักนุน เพราะถ้ายังไม่มีศีลไปทําบาปทํากรรมไปทําเรื่องทําราวไว้ใจก็จะวุ่นวายขึมาแล้วก็เวลามานั่งทําสมาธิก็จะทําไม่ได้ยิ่ไปนั่งทําที่เปี่ยวๆยิ่งมีความหวาดระแวงอีกแล้วคือทาไม่ได้หมดเลยนั่งหลับตาเดี๋ยวกลักวคนนั้นคนนี้จะตา ม, มา่าล้างขานมาฆ่าเพราะเราไปทําอะไรคนอื่นเอาไว้แล้ว ถ้าเราไม่ทําผิดใจไม่ใจจะไม่มีความนมีวายเกี่ยวกับเรื่องผลของการกระทําบาปต่งางๆเวลาทําสมาธิก็จะสบายทํำได้ง่ายแต่การที่จะมีศีลได้ก็ต้องเอาสัยทานเป็นเครื่องสำอางเสนเพราะคนที่ไม่ให้ทานนี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อยากจะเอาไม่อยากจะได้อะไรก็จะ พยายามหามาด้วยทุกวิธีทางถ้าทำด้วยด้วยความถูกต้องจะทำถ้าทําทด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นต้องไปชอบโกใสปขโมยไปโกหกหลอกลวมก็จะทําเรือ่องในกระทั่งไปฆ่าผู้อื่นก็ทำเป็นโจรที่ร้ายบางทีก็ต้องไปปุน้นไปป้นไปฆ่าเจ้าของรับถิ่นสมบัติต่างๆเมื่อทําไปแล้วมันก็จะ <c oughs> มันก็จะทำให้ใจมีความวุ่นวายความกังวลแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบทำบุญให้ทานก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาทั้งเองมีความสงสารเห็นผู้อื่นลำบากลําบนเราสบายกว่เขาเราก็อยากจะแบ่งความสุขความสบายนี้ให้กับเขาบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้เวลาที่เราอยากจะได้อะไร เราก็จะไม่ทำในวิธีที่ไม่ถูกต้องเราจะไม่ไปทำบาปทำกรรมเพื่อให้ได้งานหรือสิ่งที่เราต้องการเราก็จะมีสิ้นขึ้นมาโดยโดยปริยาเป็นอนิสงส์ที่ตามมาจากการทำบุญให้ทาง่เรื่อยๆถ้าการทำบุญให้ทางเราทำด้วยความถูกต้องคือไม่ได้ทำด้วยความโลภ ไม่ได้ทำเพื่ออยากจะได้ผลตอบแทนจากการกระทำบางทําแล้วอยากจะได้หน้าได้ตาอย่างนี้อยากจะมีหน้ามีตาอยากจะให้คนเข้ารับรู้ว่าเราเป็นคนใจกว้างเป็นคนทำํำบุญมากอย่างนี้มันก็ยังเป็นความโลภอยู่มันไม่ได้ทำํำด้วยความเมตตาด้วยความกรัณาด้วยความบริสุทธิ์ใจเวลาทํทําทาบุญให้ทางก็ต้อง ต้องต้องสังเกตหรือว่าเราทําด้วยความถูกต้องหรือไม่เราไม่ต้องการอะไรจากใครเท่านั้นเวลาที่เราทําหุ่นให้ฐานยิ่งไม่ต้องการมากเท่าไหรไ่ยิ่งได้รับความสุขใจได้ความอิสระมากขึ้นเันนั้นถ้ามีความต้องการผนตอบแทนแล้วเวลาไม่ได้มันก็จะห่อเหี่ยวใจจะไม่มีกํำลังใจที่อยากจะทําก็เลยไม่ได้ทํา ทำไม่ถูกก็เลยไม่ได้รับอนิเสียงของของการให้ทานใจก็ยังจะหิวยังอยากอยากอยู่ในเมื่อให้ทานก็ไม่ได้ในสิ่งที่ตอนนองต้องการก็อาจจะไปทําอย่างอื่นแทนทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตอนนองอยากได้อย่างกจะอยากจะมีห น, าน้ามีตาเมื่อทำบุญให้ทานแล้วไม่ได้มีห น, าน้ามีตาก็อาจจะไปสมัครเป็ น, นสส ก็จำเรศเสียงเพื่อที่จให้ได้มาเพื่อจะได้มีหน้ามีตาอันนี้มันก็จะไปในทางที่ถิดไปทางไปไปตามความอยากคือภาวะปัญหาความอยากนี้เป็นการทำทานนี้ก็เป็นการละตัญหาในในรูปแบบหนึ่งแต่อาจจะเป็นขั้นยาวขั้นต่ํายังไม่สามารถที่จะ ละได้ทั้งหมดเพียงแตัดสิ่งก้านของความอยากได้ในบางส่วนถ้าจะให้ความอยากนี้หมดไปต้องถอนรากถอนโคนก็ต้องไปในขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาเือให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งที่อยากได้มาก็ไม่ได้มีประโอะไรกับจิตใจมีแต่ภาวะทางจิตใจ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะสามารถตับได้แต่ก่อนจะตับได้ก็ต้องติดตต้องมีมีมีมสิ่งทดแทนก่อนคือต้องมีความสุบอยู่ในตัวของมันก่อนคือมีความสงบนิดเนีง่งเมื่อจิตมีความสงบแล้วมันจะไม่หิวกระไรแต่มันยังอาจจะถูกกิเลสปัญหาหลอกไปได้ถ้ายังไม่ได้ถ้ากิเลสปัญหายังไม่ได้ถูกทำํำลายให้หมดไปมันก็ยังจะมาหลอกได้ เพราะในขณะที่ไม่ได้อยู่ในความสงบมันก็ยังสร้างความหิวกิเลสัญหาก็ยังหลอกสร้างความหิวความความต้องการให้เกิดขึ้นได้เมื่อเกิดความหิวความต้องการก็ต้องต้องสอนใจว่าไม่มีอะไรดีกว่าความสงบไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วสิ่งที่เรามีอยู่นี่ดีอยู่แล้วพอแล้วสิ่งที่เราอยากได้ตนนีม้มันเป็นเป็นเป็นความทุกข์เป็นชาละเป็นเรื่อง เป็นปัญหาตัง้ง้ตามมาเมื่อสอนใจอย่างนี้เป็เรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมามันก็จะระงับฝักไปได้เรื่อยๆจนในที่สุดความอยากต่างๆก็จะไม่โผลขึ้นมาไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีอะไรผลขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเราต้ควรติตใจใจของเราก็อยู่อย่างสุขสบายไปตลอดพนันตการไม่มีความผูกความต้องการความอยากทำอะไร มีความอื่นมีความสุขมีความพอยมีตลอดเวลาจึงขอให้พวกเราจงมองมาที่ใจเราเป็นหลักเป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงของพวกเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆเป็นเพียงเป็นสิ่งที่คอยดูแลร่างกายเราเท่านั้นหรือเราร่างกายต้องมีมีปัจจัยไว้คอยดูแล แต่มันต่างกับปัจจัยที่จะดูแลใกอยาก่าไปหลงที่ว่ามีปัจจัยดูแลร่างกายมากๆแล้วจะทำให้ใจมีความสุขตามเปเรื่อยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อให้สร้างพระราชวังขึ้นมาใจมันก็ยังรอดจากฝ่ายใดใจก็ยังมีสัญหาทั้งสามอยู่มันไม่ได้หดหายไปถ้าอยากจะสร้างเรือนใจขึ้นมา สร้างวางของฉันขึ้นมาก็ต้องสร้างด้วยทางด้วยสีด้วยภาวนานนั้นเราสร้างปัจจัยสีของร่างกายพอเพียงนะ้ามันก็ยากจะเสียเวลากันมากเอาเวลาที่เหลือนีมาสร้างปัจจัยสีให้กระจด้วยการบําเพ็ญเจริญมรรคจะเป็นด้วยการจเจริญสมาทิฏฐิสัมมาสัง สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความความดําเลังชอบเช่นในขณะนี้เรากําลังเจริญสัมมาทิฏฐิคือการได้ยินได้ฟังคำอำนาจของพระพุทธเจ้านี้ออกมาจากความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเราฟังเราจะเท่าเท่ากับเราได้รับการถ่ายทอดอยากใจสู่ใจอยากใจของพระพุทธเจ้าผ่านใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็เอามาตานท่อถึงใจของพวกเราทีถ้าเรารับไปเรื่อยๆต่อไปใจของเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องก็จะพาให้เราดำเนินสู่การ ด, ดาเนินที่ถูกต้องพาเราไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องก็พาไปเราจะสู่การทําทานเช่นวันนี้เราก็มาทำบุญทำานกันรับข้าวเอาของมาถวแล้วเราก็รักษาศีลกัน มราพยายาตั้งอยู่ในศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีแล้วเราก็มองเก็นมีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิหรือออกจากสมาธิถ้าไม่มีความจําเป็นที่ต้องคิดเรื่องภารกิจการ ง, งานที่จําเป็นก็ให้มาคิดทางด้านธรรมะคิดเรื่องอ น, นิจจทุกขังอนุตตรเพื่อจะได้กาจัดเพื่อจะได้ส ก, กัดความความอยากกันง พอเห็นแล้วว่าถึงที่เราอยากได้นี่มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยมันก็มันก็จากเราไปเวลาจากไปก็ทําให้เราต้องเสียออเสียใจถึงไม่ได้น้องไม่หมดพอคิดอย่างนี้ได้ต่อไปก็ไม่อยากจะได้เลยเพราะมันเป็นความทุกข์นึ่เพราะมันไม่ใช่เป็นของที่เราจะให้อยู่กับเราได้ไตลอดมันไม่ได้เป็นของเรา นี่คือการพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราจะเกิดกัญญาเกิดสมาทิฏฐิ ท, ที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆมีความเห็นที่ถูกต้องข้อสำคัญก็คือต้องมีอยู่ทุกขณะจิตนะถึงจะดีที่สุดถึงจะเกิดประโยชน์ถ้าไม่ถ้าไม่อยู่คู่กับจิตใจพอเวลาตัญหาออกมาครับไม่รู้จะตอบสู้กันยังไงนะดีไ็นหมดไอ้นั่นก็นดีไอ้นี่ก็ดี แต่ถ้ามีตายรักอยู่กับใจตลอดเวลามันก็ตายรักตรงนั้นมันก็อนิจจังตรงนันมันก็ทุกข์ตนั้นใครมาเสนอว่าจะยกลูกสาวให้มันก็อนิจจังเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันใคาจะมาเสนอให้ไปเป็นนายกมันก็อนิจจังเหมือนกันมันปวดโั่จะตายเลยตายไปกูงานนายกแล้มีแต่เรื่องวุ่นวายทำมองไม่เห็นกันมันเหมือนถูกสะกดจิต พอมีอะไรมาล่อที่ถูกใจกว่านั้นมันผมันดีเลยหมดเลยพอาา่อแม่อาจารอุค์น้องสั่งสอนไว้ถ้าเป็นท่าทางพอมีหนุ่มนีสาวมามาจีบลูกลูกของตนอะไรนีนะไปเลยเนึ่งตามหนีบกันไปเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาน้ําตาตกเกลียดพอความสุขมันหมดไปเลยแต่ความทุกข์เคยจะมีหลังแล้วตนจะทำยังไง เงินก็ไม่มีเลี้ยปากตัวเองยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไหนต้องมาเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกความทุกข์มันก็ตามาเพราะเราไม่มีวิปัสสนาไม่มีสมาทิฏฐิไม่มีปัญญาคู่ใจถ้าเป็นทระถ้าเป็นอาหารก็ไม่มีอาวุธอยู่ติดกับตายอาหารนี่เวลาเขาออกรบนี้เขาจะต้องมีอาวุธนี่ติดอยู่กับตัวเขาตลอดเวลาเวลานอนเรื่อง น, นอนตอกตีย น, นอน อเราไม่รู้ว่าถลุจะมาบุกเมื่อไหร่แล้วเอาปืนจะเก็บไว้ในตู้นี้เขถึงเวลาเวลาเข้าบุกขึ้นมานี่ไม่มีเวลาที่จะไปหาปืนแต่ยาสมาธิที่ที่เราได้มันได้สำเนว น, นี่ก็เป็นเหมือนอาวุธที่เราได้รับจากเขาที่จะเที่แต่ถ้าเราได้มาแล้วเราก็เอาไปวางไว้เราพอออกจากที่นี่ไปก็ไม่นิดถึงมันละก็คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้แจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปทําอะไรดี พอคี่เห็นแบนบอมาปักก็ดีตามไปเลยเราก็ยังจะต้องวนเวียนอยู่ในความทุกอยู่ดีอย่างนั <c oughs> น้นเราต้องเอาไปจริญมกาที่พระเจ้าสอนาเอางว่าจะต้องจำเริ่ม า, านาสติทุกลมหายใจเขา้าออกถึงจะถึงจะเกิดประโยชนถึงจะดับสัญหาไั้มานานุสติก็ก็คืออันนี้อย่างหนึ เราไปทำไมเดี๋ยวพอตายแนละ้วได้เป็นนายกเพียงสองเทโมองอาจจะตายก็ได้ได้ไปเที่ยวอาจจะเป็นประสบอุบัติเหตุก็ได้ถ้าคิดอย่งนี้มันก็จะไม่กล้าไปแต่เวลาไปเที่ยวนี่ไม่กลัวเลยเรื่องอุบัติเหตุ <c oughs> เราไปทำทางดีไม่ห่วงกลัวไม่หมด ในการพูดถึงภารกิจมุกของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าตอนข้ามเนี่ยจะแสดงธรรมกับเทพเจ้าปาะัวดึกความดึกเราจะอันนี้เวลาพระพุทธเจ้าที่ไม่บรรลกสมพุทธเย้าไม่ได้เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเทพเจดาป่าไ้ฟังธรรมจากพระเจ้าองค์องค์ก่อนๆอยใช่ไหมครับบาคนจะมีบ้างพระพระพุทธเจ้าก็ก็มีแต่นานๆจะมีสอากฏวันสักครั้ง นอกแา่พระปฏิเสรับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปรากฏเช่นอน้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้เะนั้นเพราะว่าท่านไม่แสดงตนว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้า อ, อย่างของพระพุทธเจ้านามนี้ถ้าท่านไม่ถ้าทรงตัดพระไทยไม่สอนท่านก็เป็นพระปริเสธบพระพุทธเจ้าคือที่แน่กว่าท่านปริยิปานไปนแล้วท่านยังคงทำท่านให้รู้อยูเ่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะในการ ต้อง ส, สอสนเทพกิจกาท่านไม่สอนนะถ้าท่านาท่านท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ผ่านไปแล้วต้องต้องสอนได้แต่เฉพาะที่มีมีมีมีชีวิตอยู่ยกเว้นในการมีของผู้ปฏิบัติที่ท่านเข้าสมาธิแล้วปรากฏมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องอันนั้นจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากกว่าเฉพาะบุคคลที่มีกระแสจิตที่สามารถที่จะ ที่จะรับกับพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาในอนดีตวันนีพะระอรหันต์ที่ผ่านาในอนดีตได้ท่านหลวงเสีมานในประวัติพระอาจารย์ น, นั่นท่านเ ส, สี่านว่าเมื่พระอรหันต์มาแสดงธรรมมาเฉลิมงกับท่านอยแนี้ก็เป็นกรณีพิเศษขอ ง, งบุคคลที่มีการรับติดต่อสับรันธ์สิทธิ์ของผู้อ่ได้ แต่ถ้าขึ้นที่ไม่มีไม่มี่ไม่มีความสามารถทางย่างนี้ก็แจะไม่สามารถรับเหมือนกับคนที่มีมือถือกับคนที่ไม่มีคนที่มีมือถือก็สามารถที่จะจับผู้ที่มีถือได้ในแมอตู้บางประเทศเขาก็ยังสามารถจับย่าได้แต่เรื่องนี้ไม่มีแสดงไว้ในประเทศไทย ไปที่จุดน้ำพระไตรปิฎกจะเป็นน้อนกับพระไตยปุฎกอนี้ก็จะค้านหัวเชนฝานะฮวันนีุ้มพ่อที่ตดกระดอย่างที่ถ้า ท, ที่ในรัศดรจริงในทางคิสัยของประวัตนนนนิหลว่ม่นีจะมีจุดน้ำมพข่าววิจารณ์ของหลวงพ่อชวยเาคีตน่สที่เขวิจารณ์ว่าหลวงม่นี เป็นหนงตาแบบเค ร, รื่อ้วหรือเปล่าผู้ในเต็นที่ไม่มีในพระไตรปิฎกเหมือนมาสมุทติวีว่าเป็นเป็นเออในด้านทางผู้ผู้รูทางพระไตรปิฎกท่านยืนยันได้ว่าเต็นที่หลวงสู่มั่นูนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกทำาท่านก็ตอบว่าความลึกในพระไตรปิฎนเหมือนน้ำในตุ่มในหัน แต่ความนี้ที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นเหมือนยากเลยนะคะที่กว้างใหญ่ไพศาลมากทางนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงนี้ที่ไม่ได้นำมาบรรจุไว้ในพระกาจิเยก็เหมือนความนี้ที่อยู่ในนะคะทตรงเปรียบเทียนใบไม้ในกนึ่งกับใบไม้ในฝักสงขาที่เกิดว่าคนไหนจะมากกว่ากัน ราัาใบไม้ในกำเนีก็แค่ในจิตบ้า น, นับได้แต่ใบไม้ใน่ารับนับไม่ถ้วนเพราะพเจุทธเจ้ารสักว่าความที่อาัสถาวะคนรู้อยู่ในในตะไทยในจิตของของเรานี่นเหมือนกับใบไม้ในป่าแต่สที่เราเอามาสอนยกแเป็นเชื่อใบไม้ในกเนร์ตงนี้ อ๋อในสิ่งที่จําเป็นสําหรับเธอเหมอกกับพวกเธอเท่านั้นเองเพื่อให้พวกเธอจะได้เอาไปปฏิบัติและจะได้เห็นความรู้ที่เราไม่ได้เอามาสอนพวกเธอเองนั้นถ้าพวกเธอยังเพียงแต่ศึกษาพระไตาปิฎกมาอย่าไปอิจฉว่าตัวเองรู้มากแต่เป็นบาลานตาวต้องไปปฏิบัติและดูสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตมันจะ มันจะมากมายหายกองแล้วมันจะรับได้ท้กอย่างที่ที่ที่มีอยู่ในะก็ยจ่ตแบบนี้ไม่มีนะพรก็ย จ, จิต่ใการนะตอนนี้ถามตอนนี้แบบที่ที่ฐานสิภาระจิตสุดท้ายของ ก, ก็คือแก้วผ่อน็ว่างนี้ถ้าฏิบัันมีใครทำหน้าที่ไม่นอยู่ก็กูบาอาจารย์ก็คงจะทาอยู่อก็ก็ไม่ไม่ทราบนะพเพราะคงจะคงจะไม่เหมือนกันกันกบพระพิจิตเจ้าก็ ผู้ที่บาลุ ท, ทาํากัณฑาหนานี้ไม่ไ ม, ม่ไม่ใช่วัตถุกรงจะมีมีมี ม, มีมีความสามารถที่จะส่งกระแสจิตไปดูว่าสัตว์โลกคนไหนพร้อมที่จะรับธรรมได้อันนี้เป็นเป็นคุณสมบัตินอกเหนือไปจากการบารรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพิฆเนศที่เราเรียกว่าอิทธิฤทธิ์ต่างๆการอ่านร่างจิตของผู้อื่นได้ ถ้าอานาล้วจิตของผู้อื่นไม่ได้มันก็มันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจิตของคนอื่นขณะนี้อยู่ในระดับไหนสมควรที่จะได้รับการโตรวจหรือยังแต่พระพุทธเจ้านี้นอกจากเป็นเทพบุตรเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์แลท่านยังมีอิทธิฤทธิความรู้ลึกๆกว้าๆที่เราไม่ที่ไม่จําเป็นต่อการศึกษาด้ว ่อการบรรลุเป็นพรา อ, อะไรท่านจึงไม่เน้นทางด้านนี้แต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธก็เหมือนกับคุณแม่นนแก้วเนี่ยท่านก็มีความรู้ความสามารถตั้งแต่ท่านยังไม่ได้บรรลุในเรื่องจิตยืนยันของผู้อื่นเวลาท่านนั่งสมาธินี้นก็จะมียืญยานของผู้ตายแต่ข้าไปสนทนาปรับท่านบางทีหมูป่าถูกพรานก็ยืนตาย ่็ไปเข้าไปในสมาธิไปเล่าเรื่องของตอนว่าตนเองเพิ่งถูกเขาฆ่าทายนะแล้วเขาจะคงจะเอาเนื้อหมูป่านี้มาถวายแม่ชีในวันรุ่งขึ้นเขาก็อยากจะได้เงินเขาก็จะมาก็ามาขอให้ให้แม่ชีช่วยรับไปรับประทานเพื่อเขาจะได้เงินเงิอริสุทธ์จากการถวายเนื้อของเขา แสจะได้ไปไปสูส่สุคตนินี้บพอรุ่งเช้าก็เป็นอย่างที่ ท, ท, ท่านเห็นไว้ในกางคืนก็มีคนจะเอาเนื้อหมูปามา่ามาต่อในคืนที่หลวงปู่มั่นท่านนอนนะครัหลวงปู่ก็มาปรากฏเพราะคืนนั้นท่านก็ตั้งใจว่าเชา้าตอนตอนเช้าจะไปกราบหลวงปู่มั่นเพราะไม่ได้ไปกราบท่านนอนเนี้ยจ่ไปทีไรก็เจ็บเรื่องนั้นเจ็บเรื่องนี้ทุกที แต่อพอทั้งกะว่าพร่งนี้เช้าต้องไปลนะเปลี่ยนตัวละแต่ในตอนเด็กเนี่ยผมท่านก็นมาเข้าแต่จะมาที่กะว่ไม่ต้องไปลนะเรานะตายละมาเปลี่ยนเช้าใช่ไหมท่านก็นั่งร้องห่มร้องห้าพวม่ชีก็ถามว่าร้องทาไมก็ร้องเหรอเนื้อต่้งสีแลนะ้วไม่มใครรู้แต่พอตอนสายๆก็มีคนที่อำเภอมาแจ้งข่า เรนนื่องราวมันคุ้มมาันเทียร์แล้วนะแต่เรื่องราวนี้มันไม่ได้ เ, เกี่ยวกับอญญาวียสสักสิมันไม่ได้เกี่ยวกับมันที่จะช่วยไปทําให้จีเรปัญหามันมันดับมันหม ด, ดไปถ้าปฏิบัติหม่ๆแล้วไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วไปไปสนใจไปให้ทางให้เวลากับมันก็จะไม่ได้ไปทํางานสําคัญ เป็นเหมือนนักศึกษาในา น, าน้ำที่เรานก็คือการที่จะเข้าห้องเรียนก็ไปทําแต่กิจกรรมนอกห้องเรียนพอถึงเวลาสอบก็สอบไม่ผ่นก็จะต้องลาออกปถูกเขาขับไล่ออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่หลวงตาสอนคุณแม่แก้วก็พยายาห้ามไละให้ใจยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสมาธิมิจฉาทิฏฐิต่างๆที่ปรากฏ ตอนนี้บอกว่าอย่าไปให้ปิดเครื่องไว้ก่อนอย่าเปิดเครื่องรับอย่ารับสายทายทั้งชีวิตตอนนี้ทํา ง, งานวิจารณ์นาให้เสร็จก่อนพิจาณาอัศจรรอัศพัพิจารณาอิยังข์ทุกข์อนัตตาอะไรทั้ทงมันปรับความอยากให้หมดไปก่อนแล้วค่อยไปไอของเหล่านี้มันมีอยู่กับตัวของเรานี่มันมันไม่หายไปยมันเป็นมันเป็นคุณสมบัติที่เศษของเรามันก็ต้องอยู่กับเราไป ก็ถึงกับขั้ทนที่จะต้องต้องจับกันตบลบจิตตบตาการกันมึงถึงจะยอมันต้นก็ยังเลื่อยอยู่จท่านัานที่นายก็จะมาเล่าเรื่องเห็นยี่เหนนี่ให้ทั้นฟังนี่ถ้าเกิดถเกว่านี่มีที่เราเราได้ครบได้เห็นนี่เลยครับ เราเราได้พิจารณามันแล้วเอาไปข้ออัดข้อทำน้องก็หาตัวเองอย่างนี้จะใช้ได้นะฮะหรนูก็จะถือเป็นการติดมันหรือเปล่าไม่ทราบถ้าเป็นถ้ามันน้อมมาได้มันก็ก็ได้เช่นเราเห็นตัวเรานอนตายอย่างเงี้ยนั่งตัวเรานอนตายเห็นเราเห็นคนเข้าทำงานกับเราเห็นเห็นตัวเราอยู่ในโลหแล้วก็จับเข้าไปเผาในเมฆอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาเราเล่อยู่เรื่อยๆก็จะเป็นนิพพานเป็นนอรนาวิสติ แล้วจะทำให้ใจเรากล้าหายแล้วเราแล่วเราไม่หวั่นไหวต่อการการชาตินักกิจของร่างกายแล้วเพราะใจไม่ได้ถูกชาตินักกิจไปเลยใจต่างแต่เพราะใจหลงที่ว่าใจเป็นกายพอที่ว่าจะต้องถูกเผาก็ใจก็วุ่นวาย ท, าทั้งที่ร่างกายไม่ได้วุ่นทั้งที่ร่างกายตัวที่ถูกเผาไม่ได้วุ่นวายเลยแต่ตัวที่ไม่ถูกเผากับวุ่นวายกว่า ก็เพราะว่าไม่มีวิสัชนานี่ยไม่เห็นความจริงวาร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องถูกเผาแน่แน่ไม่ถูกเผาก็ต้องถูกสังเดยนอย่างไรอย่างนี้น ย, ยังไงยังไงมันต้องตายแน่แน่ดังน้นเราพยายามนึกถึงภาพนี้อยู่เรื่อยๆให้ใจมันชินชากับความตายของเราแล้วมันจะได้ไม่กลัวยังไม่หวั่นไหวเมื่อไม่กลัวมไม่หวั่นไหวมันก็มันก็จับวิภาวะการหาได้ พิทักษะจันรหารก็คือความอย่างแม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายน่เอมื่อมันต้องมันเมื่อมันรู้แล้วว่าความจริงมันไงไงไงไงม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีทางที่จะขืนมันได้หรือแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเรารเพราเรายืนก็มาเนี่ยเดี๋ยวยอมพรมลานก็จะมาขอขืนนะเมื่อเขาจะมาเอาเขืนก็ออกไปรถบอยขับเวลาเราขับเราก็ยังขับ อย่าเวลาเวลาก็จะมาเอาคืนไปแล้วก็เราก็ต้องคืนเขาไปเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่รถของเราร่างการมันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันเป็นของภาตุสีนน่ที่น้ำหลุไปถึงเวลาธาตุเขาก็มาเรียบคืนไปเพราทางนั้นเองไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทีอจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็ไปเหมือนกันแต่ผู้ที่พิจารณาแนละ้วมันสบายใจ มันไม่ทุกขมันไม่เดือดร้อแต่ตอนที่ไม่พิจารานี่โอ้โหอไม่ได้เนาะไม่ได้บางทีไม่ใช่ร่างกายของตัวเองของคนอื่นของพ่อของแม่นี่ก็วุ่นวายอะมันก็เ <laughs> นี่ยก็เหมือนที่เรนสองค น, นก็เป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นใจ เมื่อเราโชคดีกัได้ได้มีพระพุทธเจ้าได้มีครูบาอาจารย์มาสอนเยื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีคนสอนคนที่เราเคารพนับถือสอนเรื่องเหลนี้เราไม่มีใช้ก้าคิดอ่ะเพราะในโลกนี้เขาคิดว่าเป็นเรื่องราวประมยคนพราะคิดถึงเรื่องความตายไม่ได้เลยเยี่งมันเกินนี่ห้ามพูดเรื่องความตายบ้าเมื่อไรพวกบ้า ทุกคราวที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์สอนอะไรแต่วันนี้ลูเขียงพยายามอธิบายเขานะคะแต่ว่าลูกคงอธิบายไม่เหมือนท่านที่บาที่ท่านอาจารย์บอกว่าสมบัติของอาหารกิจกมเนี่ยสังขารยังมีอยู่ลูกอธิบายเข้าไปว่าอันนี้มันพละตัวกันทั้งสัข า, ขาอันนี้เป็นรูกแบบเป็นเป็นสติปัฏฐานสี่ได้นาสัญญาสังขาร น, นิยามแต่สังขารที่เขาบอกว่าในสังสมูสปอร์โทสุโคอันน้ำเป็นปการที่ ดับสังขารขันใช่ไหมคะความคิดโต้คุณละค น, ล ะ, น, ล, ะ น, ล, ะนละอันกันความคิดโต้คอตัวที่ต้องเหตุของความทุกก็คือสังขารความคิดโต้เนี่ถ้าเราดับหรือเราปล่อยวางมันได้มันคิดแต่เราไม่หลงเราไม่หลงเชื่อมันฉะนั้นเองมันคิดได้เพราะสังขารไม่ดับมันจะดับก็ต่อเมือ่อมันมันร่างกายตายไปแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มันก็ยัง มันมีทางเกี่ยวพันกันอยู่านึ่งยังท า, ง, ทา ง, งานอยูแต่มันจะไม่สามารถละหลอกจิตที่มีปัญญาได้<ม>จิตจะรู้ทางสังขารเช่มันจะหลอกให้เราไปเที่ยวอย่างนี้ยแล้วก็ไม่ไปละ<ม>หลอกให้เราไปยึดไปติดกับคนนั้นคนนี้ว่าเป็น<ม>เป็นของเราอะไรี้ก็ไม่ไม่เชื่อมันละเพราะเรามีสังขารอีกด้านหนึ่งคือสังขารทางาปัญญาปัญญานี่ก็เกิดจากสังขารนี้กัน ถึงแกว่าเราจะคิดไปทางปัญญาหรือคิดไปในทางสมุตไทยถ้าคิดไปในทางสมุตไทยก็จะยึดจะติดจะอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นก็จะทำให้เกิดความทุกข์เกินเราต้องให้รู้ทันความคิดแบบนี้เอาอย่าไปหลงตามมันแต่ความคิดไปในทางธรรมะนี้คิดไปเท่าไหร่มันไม่เป็นโทษกับจิตใจนะเพราะมันจะคิดปล่อยวางอย่างเดียวคิดตามความจริง ถ้าถ้าดังนั้นพระอาหันต์ใช้สังขารตรวนี้ก็เป็นสังขารซึ่งซึ่งไม่ดิกิเลสแล้วก็ที่ท่านสอนธรรมะก็ต้องใช้สังขารตัวนี้พราะพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกก็ต้องใช้สังขารใช้ทั้งหมดนี่ยทั้งสัญญาสังขารทั้งอินญาคือฐานห้านี่ยมันเป็นเครื่องมือของพระอรหัแต่ของปุจรชนนี้มันเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสมันเอาฐานห้านี้มามามาใช้ ใช้ให้ไปเนี่ยไปไปอยากมีอยากเป็นไปอยากเที่ยวอยากได้อยากอะไรต่างๆแล้วก็แบกกับความทุกข <c oughs> ์ที่ที่ที่ตามมาแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าดีที่สุดก็คือไม่มีสังขารเลยคือจิตที่เวลารวมลงเป็นหนึ่งนี้มันไม่อยู่เลยตอนที่เดเอกตาลวมตอนนั้นไม่มีล้วตอนนั้นขันมันทักชั่วครับแต่มันจะถาวรก็ต่อเมื่อเขาเรียกว่าละขันแล้ว คือเข้าสู่พร น, นิพพานแล้วอย่างเต็มที่พระนิพพานนี่มีอยู่สองสองแบบไงพระนิพพานในขณะที่ยังมีขันธ์อยู่เช่นวันที่วันมันเพ็ญเดือนหกที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ใต้ต้โนโพจวมมันรู้เป็นพระพุทธเจ้าเึ็นมาในวันนั้นวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ถึง น, นิพพานแล้วแต่เป็นนิพพานที่เรียกว่าสะอุปราริเสสารเลยมันมีสองอันนี้สัพัอนุ ป, ปราริเสสารนิพพานเนียอันหนึ่งก็คือในขณะที่มีขนันธ์ยังคองขันอยู่ แล้วอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่เสด็จพระนิพพานตอนอายุแปดสิบพรรษาะฉะนั้นร่างกายดับแล้วตอนร่างกายดับนามาขันยิปดับตามไปก็เหลือแต่จิตวนวนจิตที่เป็นพระ น, นิพพานวนๆเท่านั้นตอ น, นั้นไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการทำงานของสังขารที่สังขา ถ้าจิตรวมลงแล้วเราจะเข้าใจถ้าเราทํางจิตรวมหนงเป็นอย่างนี้นจะเป็นเพียงชั่วขณะยังเชื่อนั้นมันจะว่างไปหมดเลยท่านยังเรียกว่าปรมาณูสุญญ์อย่างานี้ภาณีปรมาณูสุญญ์อย่างแต่สมาธินี่มันมันมันสุญญ์อย่างชั่วคราวมันไม่ถาวรในขณะที่มันรวมหนองอย่างท่วกที่เข้าสู่ฌานสมาบัติต่างๆเหมือนก็นี่โรคสมาบัติเนี่ยที่จะเรียกนี่โรคสมาบัติ ก็คือหมดเลยไม่มีการทํางานของขันอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาหรือสังขางยาิ่งใหญ่ระหว่างเข้าในโรคสมบัตินี้ไม่ไม่ทำเลยไม่ทำแต่มันไม่นานมันไม่มันต้องออกมาทั้งวันบางคนอยู่ได้กป็นเดือนนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาทิตย์นี้สามสิบวันนีอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องออกมาเพราะมันเปการศาสตร์ที่จำศีลในหน้าหนาวนี้ร่างกายขณะที่ หยุดน้นแล้วอยู่ใ น, นี้ร่วมสมาบัร่รางกายมันแทบ จ, จะไม่ได้ไม่ได้ทํางานเลยคือถ้าทําอยู่แต่การที่จะหายใจทุกทุกทุกวินาทีอย่างที่เราหายใจกันอาจจะนัาทีหนึ่หายใจสักครั้งนึงเพื่อที่จะเอาเอาพลังงานเอาอะไรหลักร่างเข้าไปหลอเลี้ยงจิตใจเห็นต่ว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องเอาไปมากเพราะร่างกายมไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใช้พลังงานอะไรทั้งสิ้น ถ้าถ้าแบบนั้นผู้ที่จะเข้าไดโรวดมาว่าได้เนี่ยต้องเป็นพระสุภติปปโนหรือเปล่าไม่เคยเป็นไม่เป็นเลยมาสมัยก่อนที่มีพระมุตเจ้าพเข้ากันได้เพราะมันเรื่องของสมาธิแต่เรื่องของวิมุตติของนิพพานนี้ต้องต้องวิตตัสนะใช่หรือต้องเข้าถึงใจนักไม่ใช่แบบนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือเปล่าที่จะเข้ารได้รวเดมา หมายถึงการเข้าสมาบาัต<ช>ิแล้วแต่แต่ละคนที่เคยฝึกมาถ้าเคยฝึกมาทั้งนี้มาก่อนมันก็จะไปไปได้ง่ายบางคนไม่เคยฝึกมาเขาสอนมาแต่การปฏิบัติเพื่อหลุดเพราะนี้ไม่จําเป็นจะต้องเข้าถึงขั้นนี้ลงสมาบาัติเข้าแค่เขาเรียกอะไอัปปนาคือเข้าสู่ท่านชะนุปชาตสีสะ พ, อพอ่อทาจิตให้สงบรวมรวงกันหนึ่งได้ แล้วพอจิตถอนออกมาก็ให้เจริญวิปัสสนาดูเริ่มต้นด้่ยพิจารณาร่างกายเกิแก่เจ็บตายให้อยอมรับความจริงนี้ให้ได้นั่นก็จะได้ป่อยวางได้คและท่านที่สองได้พิจารณาดูเมื่อความไม่สวยงามและสุขภาพของร่างกายจะตัดราคะกันหาความอยากในการในร่างกายของคนแล้วก็เข้าไปสู่ เรื่องของของของใจของของขันนามขันของเวทนาเป็นยาสันขันมียที่เวลาทำงานแล้วเกิดอะไรขึ้นมาต้องรู้ทันแล้วต้อง่อนวางเกิดเวทนาขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นแค่มันก็มันก็เป็นเวทนาเดี๋ยวมันก็ต้องมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับของมันไปเองเราไปบังคับมันไม่ได้ เราอยากจะให้มันสุขเวทนาไปตลอดไม่ได้มันต้องสลับกันไปสุขบ้างทุกข์บ้างเพราะมันมีเหตุมี้ตัดใจหลา ย, ยาอย่างเกี่ยวข้องกันร่างกายนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดสุกเวทนาทุกเวทนาขึ้นมาน้ำขังความคิดสูงก็มีเป็นเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดทุกเวทนาทุกเวทนาสุขเวทนาทางกายก็เกิดจากร่างกายนั่งกันานานก็เจ็บตรงนั้นปวดตรง น, นี้ก็เป็นทุกเวทนา ถ้าร้อนแล้วได้แบบน้ำแบบถ้าเรียนสบายก็เกิดสุกเวทนาทางกายเป็นเวลาหิวก็เกิดทุกเวทนาทางกายเวลาได้รับประาอาหารอื่นก็เกิดสุกเวทนาทางใจเป็นส่วนจุดจุดทุกเวทนาทางใจก็เกิดจากความคิดของเราคิดห่วงเพรคะนั้นห่วงคนนี้ก็เกิดความทุกข์ใจเป็ น, นถ้าคิดคงได้ว่าช่างมันจะทุกอย่างมันต้อจบเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจียบต้องตาย แค่มีใครอยู่เหนือสิ่งอะไรได้มืนก็ไม่ถูกไม่ว่าคิดก็คิดว่าเ อ, อเดี๋ยวเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาคนนั้นจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เราที่จะเกิดความสุขขึ้นมาทาํทาทําใจขึ้นมามันให้รู้จักคิดคิดให้ในบางทีเราควบคุมความคิดเราไม่ได้ที่ก็พูดว่านะ ไอเรื่องที่ไม่อยากจะคิดมันก็ยิ่งคิดอีนั่นไอเรื่องที่อยากจะคิดมันก็ไม่คิดนะ่พราะใจมันมันมันมีมันมีอำนาจอำนาจเหมือนเราเรายังควบคุมความคิดของเราไม่ได้เราจะต้องมาฝึกสมาธิมันแค่ให้มันคิดอ่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวเนี่ยด้วยโฉดมุนอย่างเดียวเนี่ยทำไปเรื่อยๆต่อไปเราจะควบคุมได้ ต่อมันมันจะไปคิดเรื่องที่ทําให้เราเกิด ค, ความเกลียดก็พุทโธพุทโธดูดเข้าไปมันก็ดับมันก็หายมันก็เลยหรือเราจะหยุดมันเลยก็ได้ไม่ต้องใช้พุทโธเลยก็ได้พอมันคิดไมด่ดีแล้วก็พอรู้ปับ๊บก็หยุดมันก็ือกเลมันก็หยุดได้นี่เรื่องของการเกิดทำได้จิตเราเนี่ยเราควบคุมได้จิตเป็นเหมือนรถโยน์ เราไม่เรามีแต่คันเร่งเรารู้จักคันเร่งของใจแต่ไม่มีไม่รู้จักคันเบรกไปอยู่ตรงไหนมันาจะเหยียบเบรกเหยียบไม่ได้แล้วเบรกไม่เจ็บเนใจเหยียบคันเร่งเพะงั้นการฝึกสมาธิมันสองทางมากคนที่ปฏิบัติจะเป็นหลงตางคนที่ก็ว่าไม่ต้องนั่งสมาธิล้วไม่นั่งสมาธิดูจิตมันก็ได้แต่ดูแล้วก็ตามมันแค่นั้นดูแล้วก็ทําอะไรมันไม่ได้ มันโกรธขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้มันโลภขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้คือที่ท่านบอกว่าต้องเบรกนะคะต่ถ้าคิดอะไรที่ไม่ดีแล้วพอาเบรกพอเราเบรกแล้วเราบำเหน็ดต่อแล้วมันก็เลยรู้สึกเคร่งเครียดมากนม่มันไม่เป็นการเบรกนงมันเป็นการสร้างเป็นการเหยียดพันเร่งโดยที่เราคิดว่าเป็นการเบรกเราต้องเบรกด้วยเหตุผล เช่นเราคิดเรื่องไม่ดีลราก็บอกคิดเร้วมันทำเกิดความทุกข์ขึ้นมามันเกิดประดยชน์ทเช่นเวลาเราโกรธเนี่ยเราโกรธแล้วใครลายเป็นคนต้องทุกข์อ่ะคนที่ถูกเราโกรธ ด, ด้วยคนที่กำลังโกรธคนที่กำลังโกรธนี่ร้อนเป็นไฟแต่คนที่ถูกโกรธนี่ไม่รู้เรื่องเลยบางทีนอนหลับสบายนอนข้างๆกันด้วยกันนี่นอนกันนี่แหละ โมโหสามนีนอนไม่หลับลยทั้งคืนแต่สามีนี่นอนสบายเลยเนี่ยเราต้องให้อภัยสามีป้๊บเราก็จะได้นอนหลับนะวิธีสาบความกลัก็คือการให้อภัยไม่จองเวเรึกถ้าให้อภัยไม่นด้ก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่เขาทําให้เราตัวคิดพูดโทพุดโธไปจนกระทั่งนอนหลับไปพอตื่นขึ้นมามันก็เลยแล้ว แต่ใช่จริงๆเหตุเหมือนถ้าเราวางนี่เขาต้องทำให้เราเบาไม่ใช่วางแล้วหนักอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งไม่ใช่ใช่ไห้ครับวางเขาหนักมันไม่ได้วางไม่ใช่วางวางก็ต้องเบาอยู่แล้วตั้งใจแล้วเขายังไม่เคลียร์เลยท่านเอาเอาต่อได้คือคือในความรู้สึดว่าพอพอเราเราหยุดเราหยุดเสร็จแล้วเราก็ไปไปเหมือนไปบังคับมันนะคะท่านให้มันหยุดคือถึงถึงบังคับคือถึงใช้เหตุผลแต่ก็ยังรู้สึกถึง การบังคับนะคะแล้วมันก็จะเหมือนกับเครียดคือพูดง่ายๆคือเขายังต่อต้านมันอยู่คือแรงเบรดของเราเนี่ยังไม่ไม่แรงพอเขายังเหมือนถ้าเป็นการชักไปเย่อกันเขาก็ยังมีแรงที่จะจ่อถึงจ่อถึงเราอยู่มันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมายังเป็นการต่อสู้กันอยู่ถ้าเราเบรกแล้วเขายอมยอมเขายอมเขาหยุดเมื่อนั้นน่ะมันจะเบามันจะโล่งขึ้นมา แต่ใ น, ในเบื่องต้นนี้ก็อาจจะต้องอคือเรายังไม่เหตุผลที่เราเอาเป็นแสดงนี้เรายังตัวเราเองยังไม่มีความเชื่อมัน่นเมื่อเราไม่เชื่อมัน่นแล้วที่เหรนมันก็ไม่เชื่อตามเราแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในในใน ใ, ใ, ใ, ในความจริงที่เราเอามาใช้มันก็จะมันก็จะอยอมแพ้เราเช่นนี้บอกว่าการให้อภยัยเนี้ดีที่สุดและดีจริงๆด้วย แต่เราให้อาภาัยได้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราให้ได้ให้อาภาัยได้จริงๆมันต้องสมเกียรตใช่ั้ยแต่ถ้ายังให้อาภาัยไม่ได้มันก็ยังมันก็ยังมันยังมีอะไราคาอยู่ในใจนั่นก็ต้องฝึกทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าอานาจของของธรรมหรือสติหรือปัญญาเนี่ยมันมันสามารถที่จะ กำจากัดยืดสงบเฉลยกได้ตัวพิเรนได้เต็มทีถม่ถ้ามันทำได้แล้วมันก็จะรู้เองถ้ามันยังฝืน ย, ยังต่อสู้อยู่มันก็จะรู้นอย่ง ท, ที่พูดอย่นี้เหมือนกัว่าเป็นการบังคับกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะเห็นเหตุผลได้อย่างชัดเจนว่าการที่เรา ง, งับ ปัญหานี้ได้เลิกเลือกลาเสียดีกว่าไปต่อต่อกรมันเป็นคุณเป็นประโยชน์กว่าแต่ถ้าเรามีเวลามากแล้วมันเอามานั่งคิดหนอยสมมติว่าถ้าเขาทำลายเราแล้วเรากลับไปทำเขาเขาก็กลับมาทำําทำเราอีกทำทํากันไปทํากันมาอยู่ยางเงี้ยไม่มีที่สุดที่สิ้นสุดแต่เขาทำลายเราแล้ ว, ลวเราเฉยซะอย่ญญางเราปล่อยให้เขาทาให้พอพอเขาเบื่อแ ล, แล้วเขาก็อยู่ไปเองเขาไม่กลับมาทําอะไร เขาได้ระบายอารมณ์ของเขาเต็มที่เลยเหมือนเขาเขาอยากจะว่าเราเอาไหว้เขาว่าให้เต็มที่เลยเอาพูดไปเลยนั่งฟังอย่างเดียวไม่ตอบไม่โต้ไม่เถียงไม่ร่างซึ่งเหมือนกับเป็นเสาเงี้ยเราไม่พูดกับเสาสักชั่วโมงหรือไม่ก็เหนื่อยเองใช่ไหะถ้าเราเห็น <c oughs> เห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะนิ่งได้เฉยได้ให้เราไถาได้แล้วต่างฝ่ายก็ต่างจะอยู่อย่างสุขสบาย เขาก็สบายเมื่อเขาได้ระบายแล้วเราก็สบายไม่มีใครมามารบกวนเราอีกแล้วก็ เ, เ, เหมือนที่พระพระพระมวกขล า, าหวาาหรือพะเสาวลิบุทิพระโมกขลาวเมง่อท่ามีฤทธิ์ใช่ไหมแล้วมีคนที่ก็จะตามมาฆ่าท่านบางคนก็ถามว่าทําไมท่านไม่ใช้ฤทธิ์ราะไว้ป้องกันตัวท่านท่านบอกว่าป้องกัวนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหมา่เพราะอารมณ์โกรธอาฆาตปัญญาบาาของเขามันยังไม่หมด มันจะหมดได้ต่อเมื่อเขาได้ทำํำในสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ทำนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วต้องคิดว่ามันเป็นกรรมของเราเราเคยไปเราไปทําให้ก็เกิดความมาฆ่าไฟบาบกันเราและวิธีเดียวที่จะทําให้มันจบก็คือต้องใช้กรรมรับกรรมไปทนั้นเองเราก็ต้องนิ่งเฉยฉนะนั้นเขาจะมาฟันมาทิ้มาแทงก็เอาไปถ้าถึงเวลาที่เราจะตายก็ก็ถึงว่ามันเป็นเวลาของเราแล้วเทั้เอง คนเราทุกคนก็มีเวลานี้ด้วยกันทุกค น, นแต่ว่าจะเป็นเวลาไหนทันนี่จเป็นตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นหรือตอนคืนมันก็มีแค่นี้แหละคนเราตายได้กันภายในยี่สี่ชั่วโมงนี้เท่านั้นเองถ้าเรายอมรับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาต่างๆก็จบลใจเราสบายใจเราเย็นใจเราสงบใจยราไม่ทุกข์ไม่หวาดเสียวไม่หวั่นกลัวอะไร อะไรที่มันทําให้เราบาดเจ็บแลเราพยายามนึกจินตนาการอยู่ในใจอย่างนี้เรื่อยเป็นบาดเสียงกับคนที่คนที่เขาทิ่มแทงเราแล้วเราก็ไม่ิยู่ในใจอ้าวแทงก็มาแทงก็มาแทงไปเรื่อยๆแล้วทั้งมันชินได้เองพอมันชินกันแล้วที่มันแทงจริงก็ไหม่ก็ไปหาหมออะหมอจะเอาเข็มมาที่ว่าทิ่งไว้ทิ้งเข้าไันนึกอยู่เรื่อยๆหลไปมันชินแล้วมันก็ไม่กลัวที่กลัวมันอยู่ในใจร่างกายมันไม่เนื้อเรื่อยอะ เหมือนแก้วน้ําเนี่ยมันไม่รู้แบบเราเทน้ําอะไรใส่เข้าไปมันไม่ลังเกียดมันไม่ยินดีหรอกเทขยะเทน้าปัสสาวะลงไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้รังเกียดอะไรเทน้ํสะอาดเข้าไปแตเจ้าของแก้วคนที่จะดื่มเนี่ยมันลังเกียดนั้นต้องฝึกไว่สิ่งาดที่มันทําให้เราขยะขยงแต่เราต้องเผชิญอย่ามันต้องกินดังนาการเนี่ยนวิปัสสนาอะไรลึกถึงเรื่องเหล่าเนี้ย คนเราไม่ชอบนึกถึงเรื่องเรื่องตายเนี่ยท่านศึกษานึกึเรื่อง น, นียลองพิจารณารูปแบบของการตายมีตายแบบไหนได้บ้างตายด้วยยาพิษตายด้วยไฟไหม้ตายด้วยอะไรนึกไปเรื่อยๆมันต้องโดนแบบไหนแบบมันมันนับได้แร้มันสบายใจ ถึงจะไม่เปลี่ยนแล้วเออโลภก็ถ้ <c oughs> าไม่ได้ยินใน้ฟังธรรมะ ก, ก็ไม่แน่ใจเม่พอได้ยินไนด้ตอนนี้ไม่คลุ้งแล้วแต่ต้องดูว่าดูแล้ว ม, มันมันมันไม่เกิดคล้ายว่าลอยเถิดไปแค่นั้นเองเพราบางทีมันให้ยามากเกินไปมันก็เลยเถิดได้อย่างนี้นสมัยพุทธกาลภาพถึงกับภาพตัวตายจะหลั่งานานานสติมากๆแล้วก็เห็นกับภาพตัวตาย พะจ้าเราทงสอนว่าถ้ามัมาถึงข้ามอยากจะฆ่าตัว ต, วตายนี้สแสดงว่ามากเลยกนะ็ให้มาเจริญเมตตาภาวนาแันกับสลับสัตย์ตาขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความทั้งตัวเราและพู้อาหั่นสุติโตโฮมิตุขอให้เรามีความสุขมอให้เราปฏิจจากเวกัสจอนอะไรก็ว่าแต่คืบางทีเราพิจารณาทางด้านดังทางด้านภาวนาเมสติมันมากเกินไปก็เหมือนกับให้ยามากเกินไปแรงเกินไป ก็ทําให้แพ้ยาได้เราก็ต้องถ้าเรารู้ว่าชักอยากจะฆ่าตัวตายแล้วมีแสดงว่า <c oughs> มากเกินไปแล้วเอาแค่ไม่กลัวตายเท่านั้นเองเข้าใจไหมไม่ต้องเกิดไม่ต้องเสีงกับเป็นฆ่าตัวตายอาจารย์ท <c oughs> ุกท่า <c oughs> ไม่ต้องกลัวตายมันตายแน่ๆไม่ต้องเป็นฆ่าให้คนอ่นเราถึงเวลาได้ตายแน่ๆไม่ต้องกลัวบอกมันกันไม่ได้ <c oughs> ที่แบบแบบนี้พี่นาเรื่องศาสนี้ก็ต้องลงที่อ น, นิจจังอ น, นิจจังล <นะ S 2> งไปอนิครับความตายเอ น, นิจจังสละคือมันไม่ไม่ไม่ทาวอ่อนไม่้มม น, มนมันเป็นที่สิ้นสุดมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ารับอย่างนี้ได้ไแล้วใจก็สบายไปเลยแล้วตับตับสัญหาเรื่องความหวาดกลัวความตายได้คือถ้าพี่น า, าลงที่อ น, นิจจังแล้วเนี่ยมันจะเลยเถิดสิ่งที่ตัวตายแล้วใ่ไ ถ้าถ้าไม่มีคนสอนก็ตายได้ก็เราในสมัยพระพุทธการก็มีพระพุทธเจ้าคอยเปิดพระเองแล้วไม่มีไม่มีคนสอนก็อาจจะทิศการกันนักที่ฆ่าตัวตายไปอะไรก็ได้แต่บางคนปฏิบัติไม่มีครูอาจารย์ที่ว่าถึงนิพพานแล้วก็ไม่ได้อยู่ทําไมนี่เมื่อก่อนที่มีขาวลงยเงินคื้อทิมฆ่ากันทั้งครอบครัวเลยว่าเราถึงนิพพานแล้วไม่ได้จอยู่ไป่ทำไมไปฆ่าตัวตายก่อนอืไอย่างนี้ก็หลงนะ ถอย่างนั้นพระพเจ้าก็ต้องฆ่าตัวตายตั้งแต่วันที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏให้กันที่ซึ่งกับพวกเราแต่คนที่เข า, ารู้ด้วยปัญญาเขาเข า, เขารู้ทันชีเลช่วยไม่ว่าจะมาลุกไหนถ้าอยากจะตายก็รู้แล้วว่านี่เป็วิภาวะต่างๆคนที่เบือ่อเบื่อ<ๆ>นายในชีวิตนี้ก็อยากจะตาย อยากจะหนีห น, นีสภาพปัญหาต้นเองโดยอ้างว่าตัวเองบรรลุแล้วที่ว่าตัวเองบรรลุแต่ความเจียมเหื่อที่อยากจะต้องไปทํามาจิตต้องเรื้ยงลูกเลี้เมียก็เลยตัดทิดว่าเออไปนี้มากกว่าแต่คนที่บรรลุจริงๆแล้วมีความสุขตลอดเวลามันไม่มีสัญหาที่จะต้องมาแก้ต้องอหนีออยู่ก็ได้ไปก็ได้เท่ากัน แต่อยู่มันก็ทําประโยชน์ให้กับลูกได้เท่านั้นเองคิดถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากผู้อื่นมาก่อนมันก็ทําให้เราอย่างที่อยู่กัง น, นัก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องอาศาัยผู้ที่เขาผ่านมาก่อนแล้วถ้าเขาได้ถ้าเขาไม่อยู่สั่งสอนเราเราเราจะสามารถเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างไม่ได้อย่างไร เมืเราเป็นอย่างนี้ได้แนละ้วเราก็ต้องคิดถึงคนที่มาทีหลังคิดถึงที่น้องเราหน้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาก็มีพี่น้องคอยดูแลกันจิต <c oughs> ของคนที่นี่ก็เลยไม่ได้คิดไปสุดโต่ง ม, มันไม่ไม่ไม่ไม่อยู่กลางมันไม่อยู่ตางตามเทตามคน มันจะไปสึดไปทางด้านายด้านเสมอการาปฏิบัติถึงต้องมีภูบาใาจายอยู่เสมอถ้าไม่เช่นนั้นละมันามาก็จะสุดตรงตัวแต่เราทำบุญก็จะทำบุญแบบสึดตรงแยกกันทําแข่งกันทํามันไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรบางทีไม่เงินไม่พอก็ไปหาเงินมาทําอะไรอันนี้มันสุดโตรงและทําไว้เพื่อความจริงทําเพื่อปลดเปื้อง สมบัติท่าของ เ, เงินทองที่มันเกินเหลือเหลือที่เรามีเหลือเกินความเป็นไปเท่นั้น เ, งเองไม่ใช่ไม่ใช่ไปหามาหรือบาง ท, ทีถ้ารักษาสิ่งท่อยากจะบนสุทธนี้นทังพูดอะไรไม่ได้เลยเดินไปไหนก็ไม่ได้เลยกลัวเหลือไปเหยียบมดเหยียบมแมลง นั่งรถเดี๋ยวรถวิงไปสวนปรวไฟบาลังยิ่งเข้ามาชนกระจกทำาไงไม่ได้เลยสารนใจวนไทยมาท่นก็เพียบหดกอยงเลยกันอคนเดียวกันเลยมันกอดเมื่อเช้านี้เปิดนัสือของสมเด็จพก็สารามเรื่องวิธีร่าแก่นยืนยา อ่านดูไอมันก็เป็นสิ่งที่เราพูดอยู่นะทัที่เราก็ไม่ได้เคยไม่เคยได้ยินได้ฟังจากท่านมาก่อนนะแต่ความคิดมันเป็นอย่างนี้<ม>พราอมันเห็นแล้วมนันเห็นเหมือนกันทนะั<ม>้งนั้นไม่ต้องไปเรียนรู้จากกันอเพราะมันถ้าเป็นความคิ่เกิดจากการปฏิบัติมันเห็นกันนะทุกวันก่อนเ่จานาอธิบายให้ฟังว่า ข่านสุดท้ายเนี่ยวิรรชาคืขขอการติดมานะในงอมทองใสเมื่อสองวันก่อนเขเปิดเทศของหลวงตาหลวงตาก็อธิบายตรงนี้ค่ะว่าในาข่านสุดท้ายตัวตัวนัว้นความผ่งใสเรื่นคือมานะอืคือวิชาใช่ไหมครับวิชาตอนนันท่านเล <c oughs> ่าว่าตอนที่ปฏิบัติยังไม่ถึงตัววิชานี่เราจคิดว่าวิชานี้น่าเป็นคนจะเหมือนกับเป็นเสือที่มันจะคอยจะกระโดดค่อยจะมาจัดเรา แต่ก็นะ่ว่าพอปฏิบัติเปถงมานนั่นมันเป็นเหมือนนางบางเงาไม่ใช่น า, นางบางเงาพวกเห้หญิมที่ยืนอยู่ข้างเสาใส <c oughs> <c oughs> ่้าบมายังสวยงามมันน่ารักมันถึงไปไปไปรักษาไปปกป่วงวิชา <c oughs> ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยเกื่อนจังเก็นี้ก็อาจจะอาจจะติดอยู่จังเก็ น, นี้ไปได้นานพอสมควรเพราะมัน มันถ้ามันละเอียดมันสุกมันมันอะไรไม่หมดเนี่ยสุดยอดก็คิดว่านี่แหละคือสุดนี่คือพระนิพพานคือความควาจริงมันไม่ใช่พระนิพพานมันคือตัววิชาตัวที่สว่างสไ外出แต่ในความสว่างสวยนี่ถ้าสังเกตดูท่านบอกว่ามันจะมีจุดมีกล่อมนะเรามีจุดมีก่อก็คือมันมีการเสื่อนมันไม่มันไม่สว่างสไ外ตลอดเวลามันมีมีมีด่วนที่หยักลงไปอย่างมันไม่เที่ยง ให้เห็นให้เห็นแล้วก็อย่าไปอย่าไปถ้าตอนต้องได้มาใหม่ๆเหมือนการได้แก้ววิเศษนะโอ้เจ้าห่วงมากเมื่อก็ได้รถยนต์ชั้นใหม่อะไรเนี้ยใครจะมาแตะมาต้องไม่ได้เลยสียงมากรักมากใครจะมาขอขับก็ไม่ให้ครับใารจะมาจับอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันพอได้มาใหม่ๆโอ้โหมันตื่นเต้นมาสะใจๆมันสว่างสวยมันสงบมันสุขอย่างยิ่งก็แค่นี้แหละ ของพิเศษนะก็เลยเกิดอุปทานไปยึดไปติดมันข้ามมันถ้ามันยังมีพระอุประชานอยู่มันก็ไม่มันก็ยังไม่หลุดพ้นอันนี้เรามองไม่เห็นเราไม่เห็นว่าตัวที่ที่ที่ที่ยด ท, ที่ที่เลมันมีอยู่ก็คือตั ว, <ม>ตวอุปทานเนี่ยใครก็<ม>ต้อพิจารณาเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไอ้ตัวสว่างสว่าเนี่ยถ้าสังเกตดูๆเดี๋ยวมันก็เฉาได้<ม>แต่เวลาที่เราไม่ได้พิจารณาไม่รู้มาก่อนเนี่ย พรอมันเฉาครัเราจะรีบทําให้มันสว่างขึ้นมาใหม่เพราะมันไอความสว่างนี่มันเกิดจากการที่เราปฏิบัติบำเพ็ญมาขัดเกลีขัดจิตใจอยู่เรื่อยๆยิ่งขัดมันก็ยิ่งสว่างพอเราหยุดขัดพักมันก็จะเฉาลงไปพอมันเฉาครับเราก็รีบขัดมันขึ้นมาอยากรีบพิจารณาอยากรีบทําให้มันสว่างขึ้นมาหถ้าทํานี้มันก็มันก็ยังต้องทํางานอยู่นั้นเห็นตอนนั้นท่านมองต้องพิจารณาให้รู้ทันแล้วปล่อยวางมัน ถ้าฟาแล้วมันก็จะมันก็จะหายไปหายดเรื่องไม่มีอะไรเหลยออยู่แลนวไม่มีอะไรต้องไปรักสาไม่มีอะไรต้องไปดูแลไม่ต้องไปยึดไปติดมันหมดแล้วไงมันมันมันสูญแล้วเนี้ยที่เราเปลามาเหมือนย่างมันไม่มีอะไรมันถ้าเท้องฟ้าก็ไม่มีเลขไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีอะไรขึ้น มันก็มีแต่ความสบายเือไม่มีอะไรต้องทำเลยแล้วท่านบอกสึชต่างบำมจารียง เ, เจ็บในบำมจาริย์ที่สิ้นสุดรงแล้วแยังต้องรักษาไอ้ความสว่างนั้นอยู่ก็ยังมันยังไม่ขึ้นติดสุกนี่รักษายากกว่าที่ติดทุ<ม>่งติดหนา<ม>ติดหนา ด้วยการตอนต้นที่ท่านจ่ายคู่สิ่งด้วยการให้ทานนะระภาริยาส่์ที่ท่านท่านให้ทานเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ได้หวังผลสิ่งใดแล้วท่านวางมแล้วมันไม่เหมือนปุถุชนที่พวกเราที่ทำบุญแล้วอยากหวังผลได้ทานต้องการส่วนนั้นไปขึ้นบนศีลภาวนาคราวนี้ถ้าเบิดเราทํากับภาริยาส่์แล้วท่านไปทําต่อเนี่ยนะสิ่งที่ท่านไม่ได้รับด้วยกเพราะว่าท่านไม่ได้กราสงานแต่พระอรมาถึงโยงใช่ไหมที่เป็นช่้ทํา มันก็ได้แล้วในงานที่เรให้ ไ, ไ, ป ไ, หไปแล้วนี่แหละแล้ไม่สิ่งที่กเราได้สะท้อนกลับมาก็คือทําให้สังคมมีความเสมอภาพมากขึ้น<ม>ทําให้โจนผู้ร้ายน้อยลงไปคนเบียดเบียนกันน<ม>้อยลงไปมันก็ทําให้เราอยู่ในสังคมที่สงบสุข ม, มันก็มีความปลอดภัยมากขึ้นไปไม่มีสะท้อนกลับมาแล้วถ้าสังคมที่ขาดความเมตตาไม่มีการให้ไม่มีการช่วยเหลือกันมันก็จะเป็นสังคมที่แร้งแค้นสังคมทีม่มีการต่อสู้กัน าปไหนก็จะเล่าก็มีแต่ต้องคอยห่วงคอยทำงา น, นจะถึงเขาปุ๊บเขาขี้ที่สั mm ่งเพราะในเมื่อเขาไม่มีส ก, กิลจะให้เขาทําอย่างไรเมื่อเขาไม่มีสกิลไม่มีงานทําไม่มีใครช่วยเหลือเขา mm hmm. เขาก็ต้องหาหาด้วยวิธีอยู่ mm hmm. ก็จะกลายเป็นสังคมของเดเรัจฉานไปเท่า mm hmm. นั้นเองแต่ถ้าเรามีการทำบุญมีการให้มีการส่งเคาะกันเรื่อยเรื่อยๆก็จะยเบลิตก็จะเป็นสังคมของมนุษย์ที่มีความ ความเกรงใจกันมีการไม่ไม่บิดเบือ น, นกับเพรในเมื่อคนที่คขาเดือนร้อนเขาได้รับการดูแลเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปทำบาป ท, ทำกรรมกับผู้อื่นนี่ก็เป็นผลสะท้อนที่กลับมาหาเรามันมีความเชื่อผมเข้าใว่ายมยมโยมหลายส่วน่าจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับให้ทานนะว่าสมมุติเราให้ทานเรื่องหนังสือธรรมะอะไรเนี่ยจะทําให้เกิดสัญญา ทำโงพยาบาลทำให้สุขภาพแข็งแรงหรือว่าปล่อยพาปล่อยนกทาให้อายุยืนอะไรทั้งนองเนี่ยผมคิดว่าความชื่อยเหลือเั็นความเข้ใจผิดเป็นทวารเคลมันษาเราจะตัวมีปัญญาเป็นความเข้าใจผิด ก็นมันไม่ได้เป็นคำสอนของพระเจ้าเลยสิ่ที่พูดอนะใช่ไสิ่งที่บอกทการเจดีเป็นกุศลที่สุดอะไรอันี้ก็ไม่ใช่อะไรนะแล้วก็อ่านมาให้ใครทานเป็นธรรมะก็เป็นบุญมากแล้วก็เจดีการทั่เจดีอันนี้ก็เป็นบุญมากลยไม่ม่เหมอน คือมันเป็นบุญในระดับของและบุญแต่และขั้นเนี่ยมันมีความสูงนอ้อยต่างกันในในขั้นนั้นเส้นขั้นทานนี้มันมีการให้มีอยู่สีลักษณะด้วยกันให้วัตถุทานให้วิทยาทานให้อภัยทานให้ธรรมทา น, ใ, ทานในการให้ทั้งสี่ช น, นิดีธรรมทานนี้เป็นเลือกที่สูขขงสุดในการให้ เพราเราให้วัตถุแล้วก็ให้คุณค่าให้ร่างกายของเขาได้หลุดพ้นจากความหิวความเหนื่อยล้าแต่ถ้าเราให้ธรรมะเท่ากับให้อาหารทาําใจทาให้ใจของเขาพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มี้มีคุณค่ากว่าถ้าให้อาภัยได้มันก็ทําให้เราใจเราสบายใจเราสงบมากกว่าให้เงินเป็นร้อยเป็นล้านอันตราย เสียเงินร้อยเสียเงินล้านได้แต่เสียสา ม, มีเสียภรรยาเสียเวลาแต่ถ้าเราอาอยากเขาอยากจะได้ให้เขาไปเลยอย่างเขาเวสันดอน <c> ี <oughs> ่เราจะประทับเราจะมีความสงบหมดภาระไปไม่ต้องไปทุกข์กับเขาอีกต่อไปเร <c oughs> ื่องเจดียนี่ก็คงจะเกี่ยวกับว่ามันมันเป็นกลางบิดา เป็นการใช่ไหมว่าสร้างเจดีย์นี่มันเป็นบูชนิยสถานทําให้ผู้ที่มามาภายหลังจะได้รู้ว่าเออนี่คือตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้ว่าเจดีย์คืออะไรแต่ถ้าเกิดเขาสนใจเขาก็อาจจะพยายาศึกษาเขากยากจะรู้ว่าออกเป็นที่บรรจุพรกุศลของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าเขาก็อยากจะรู้ว่าพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าเป็นใครถึงมาถึงเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้า ก็จะศึกษาไปเรื่อยๆ <st it> ก็จะทําให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาอยากจะปฏิบัติอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหลานตาขึ้นมงนั่นคือความหมายของการการสร้างพระธาตุสร้างขจีดีไว้เป็นสิริพระธาตุแตสมัยพุทธกาลเพราะไม่นิยมทาํทาทําพุทธรูปกันนิยมสร้างเซดีแทนคือให้มันสิริพระธาตุที่ของข้ารหันของพระพุทธเจ้านี้ไว้ ในในคตสมัยก่อนเขเรียกสัตูปเรื่องนี้เขามีบุคคลสี่ประเภทที่ที่เขาจะสร้างเจดีเพื่อบริจุคือเพื่อพระมหากษัตริย์พระพ่อระพุทธเจ้าพ่อพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตเป็นบุคคลสี่ประเภทนี้เท่านั้นที่จะที่จะรับการการบริจุพระมหากษัตริย์ให้พระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ถึงไม่จะเป็นทางโลกก็เป็นคนที่ เขาก็คือในสมัยโบราณเขาเ็านิยมทำอย่างนั้นกันแต่สมัยนี้มันใครก็ขายไปก็ลูกเล็กเด็ดแดงก็ไปสร้างเจดีย์ <c oughs> ได้ตามวัดเต็มไหมดเสียครับจนม่นเกินไปเล ย, เลยจไมัน <c oughs> ม, ม, มันไม่มันไม่มันไม่มีความหมายอะไรไปละแต่ความจริงก็เพื่ออย่างที่บอกนี่เพื่อให้เป็นเป็นจุดที่จะดึงดูดให้เกิดความสนใจ หรือ เ, เ, เป็นการการพุด ธ, ธานิสติคือการให้เราได้รับริ้ถึงพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้จักก็จะได้ศึกษาทําความรู้จักแล้วจะได้นําไปสู่ทําพทำพระธรรมคําสอนต่อไปแล้วก็จะนําไปสู่อนยอิยะสงฆาสาวกต่อไปคือลอานี่แหละเมื่อเราได้ศึกษาทนะําแล้วเราจะ ป, ปฏิบัติเราก็จะเป็สู่ปฏิปันโนขึ้นมา เราก็จะบรรลกเป็นอริยสองสาวคขึต่อไปมันจะไม่มีเหลือนะคระับว่าห้า0ันตีหมนแล้วจาสนหาจะไม่มีเหลืออาจ จ, อาจจะมีทราบของดีดีมีอะไรแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรอย่างดูทราบของสมัยสุดโคไทยสมัยของยุคยาญต่อไปเมื่อเราผ่านไปได้สัก พอสักพันปีนี่มันก็แทบจะไม่มีอะไรเหลืออยูอ่แล้วก็ไปดูประเทศบางประเทศที่มีศาสนาพุกเมื่ก่อนล่าตอนนี้ก็เสือ่อมหายไปและอินเดียนี่เป็นตัวอย่างเป็นที่เป็นแดงพุทธ ภ, ภูมิแท้ๆตอนนี้ก็ยังแทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่แค่ช่วงพุทธนดรนเนยยาวนานเนยาลยคะมันเพีงระหว่างรู้แต่จะท่านก็บอกว่าเป็นกลับ ที่เขามีภาษาของเขาในที่ต้องไปอ่านในในในในหนังสือแต่ที่เขาที่ที่ท จ, จะมาเคยได้ยินการเปรียบเทียบของระยะเวลาของกลับก็คือการเอาภาพไปรูปเขาเหิมาลัยทุกร้อยปีไปรูปหนึ่งครั้งทางนี้ไปเรื่อยๆทุกร้อยปีจนากลา่าจะเสกลาบลงมา ก็เป็นปฏิบัติเป็นลัทธิวกวไงว่จะเกิดอีกยุคที่ลัทธิวัวเนี่ยนั่นแหละต้องจะไม่มีไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยกลายเป็นเจ้าชายสิทธัตถะดัยนั้นก็ไม่มีพระไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามีแต่ลัทธิอื่นต่างๆแล้วก็ลัทธิอื่นๆก็ไม่สามารถสอนให้ไปถึงพระนิพพานได้ พระพุทธเจ้าก็พยายามเรียนทั้งทางโลกทั้งทงางธรรมก็ได้แค่ขัน้นฌานสมา บ, บัติเท่านั้นที่พระอาจารสองลูกของท่านสอนได้ท่านก็ยังไม่พอจใจเพราะใจหนึ่งยังมีกิเลสมีตังหามีความโลภความทุกข์อยู่ก็เลยต้องไปบำเพ็ญเองตอนบําเพ็ญตอนต้องก็คีดว่าต้องเอาชนะร่างกายให้ได้ไม่ต้องไม่กินอาหาร ไม่กินนั้นที่ว่าไม่กินอาหารแล้วก็จะที่เหลืก็จะตายความอยากต่างๆก็จะตายไปแต่อดมาถึงสี่สิเก้าวันแล้วร่างกายมันจะตายอยู่แล้วแต่ที่เหลือมันยังเต็มอยู่เหมือนเดิมนท่านมีสติท่านเห็นนี่ยเห็ว่าใจของเรามันก็ยังเหมือนเดิมระหว่างที่ก่อนที่เริ่มอดยาขนาดที่อดสี่สิบเก้าวันวนี้มันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังมีความอยากมีความทุกข์อยู่ท่านถึงหมอมีมาผิดทาง ต้องย้อนกลับไปพอย้อนกลับไปรับประทานอาหารชั่ววันก็เป็นจตรวิเคราะก็คิดว่าพระพุทเจ้านี่กลับกลับจัดจาดแล้วยอมแพ้สู้ไม่ได้แล้วไม่ยอมตายตเขาคิดว่าเข า, เขาคิดว่าพระพเจ้าต้องถ้าไม่ตายก็ต้องบรรลุในตอนนั้นไงอย่างาพ้ะพุทธเจ้ากลับมากินข้าวแสดงว่าพระพุทเจา้ายอมแพ้กลัวตาย แต่พอท่านรับกรรมแล้วระบทานอาหารแลบข้าวเย็นวันนั้นหนระืไม่ทราบกี่วันนะท่านก็นั่งใต้ต้นโพธิ์ที่ท่านก็ตั้งสัจจาอธิษฐานขึ้นใหม่เหมือนกันคนระับถ้าตอนนี้นั่งแล้วครับ ถ, ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ในใจมีกิเลส อ, อยู่ในใจและไม่รู้จักที่นี้ไปไป็นอครับถึงแม้จะเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ตามจะไม่มีวันตกใจครับมีอยู่ทางเดียวนะ เดีถ้ากิเลไม่ตายเราก็ต้องตายานั่นแหละตอนนั้นท่านท่านเอาท่านรู้แล้วว่าจุดปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจท่านท่านก็เลยมองเพง่งนนึกถึงสมัยที่ท่านเป็นเด็กแล้วท่านไปงานแรกน า, กานขอนแล้ว <c oughs> เขามีพวกบริพา บ, บริวางเขาก็ไปทํากิจอะไรของเขาก็ปล่อยท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวองค์เดียว พอไม่มีใครมารบควณท่านจิตที่มันเคยสงบอยู่แล้วมันก็หลวมลวงท่านก็เลยเห็นว่า อ, อันนี้แหละคือความชัดชี้แจงจิตของจิตถึงจิตท่านก็เลยจะเลยสมะถะภาวนาในเรื่องต้นทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วพอจิตทั้งละมาจากความสงบเมื่อมีสังขารความคิดโตอะไรขึ้นมาก็ดูว่ามันคิดเปในทางไหนถ้าคิดไนในทางกิเลสก็ต้องกลับมันกลับมากัาานกลับไป ใช้ก็จับจับประเด็นได้ไว่าเป้าหมายก็คือความสมุบสุขความสงบของจิตแล้ว mm hmm. เวลาเราปฏิบัติเราต้องดูจิตเราอยู่ตลอดเวล า, ล า, ลาว่าจิตเราทุกข์กับเรื่องอะไรหรือเปล่ในขณะที่อยู่ในสมาธิมันไม่ค่อยทุกข์กับอะไรเพราะมันไม่มีมันไม่ได้คิดถึ ง, อ, งอะไรทั้งสิ้นแต่พอมันออกจากสมาธิแลับเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่นี้คิดถึงลูกก็เริ่มกังวลแล้วต้องสัใส่แล้วลูกไม่ใช่รูกของเรานะ มันจะเป็นจะตายไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาแต่ไม่ได้หมายคําว่าเราไม่ดูแลเขาเราก็ดูแลเขาไปสอนเขาไปห้ามเขาอะไรได้ทําได้ก็ทําไปแต่อย่าไปทุกข์กับเขานักปฏิบัติที่เขาไม่ทุกข์กับใครทั้งนั้นไม่ต้องทุกข์กับอะไรแต่ไม่ได้ไม่มีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบแล้วก็ทําไปมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูเขาก็เนี้ยงดูไปแต่ไม่ไปทุกข์กับเขาไม่ได้ไม่เปกินไม่ได้นอนแม่หลังกับเนื้อของเขา เนี่ยค <Side> ือว <sau> <N> ิธ uh> <N> ีดัดทุกมันดัดที่ใจังดัดที่ความคิดของเราเนี่ยคิดไปในทางที่ผิดคิดไปในทางประทานคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราถ้าคิดว่าไม่ใช่เป็นของเราเรามันสบายสังเกตดูของในที่ไม่ใช่ของเราเนี่เราไม่เดือดร้อนนเลยเวลหลังนี้มันจะพังไปยากโยงก็ไม่ได้เป็นเดือดร้อนไม่ได้กังวลนะไรเลแต่ถ้าบ้านเป็นอะไรขึ้นมาหน่อยเนี่ยเดือดร้อนกังวลเพราเราไปรึดว่ามันเป็นของเรา ดังนั้นต้องตัดอุปทานคือความยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราต้องให้เห็นว่าสัพเพตมานัสตาไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวของเราเป็นสมบัติผัดกันชมไมันก็ตำแหน่งทำทำงานนะก็เป็นตาแหน่งของคนอื่นเราได้เลื่อนขึ้นมาเขาเลื่อนไปแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแทนดี๋ยวเราก็เลื่อนต่อไป จะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆลงเรื่อ ง, อ ง, องถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเรายึดติดกับเก้าอี้นึ่เวลาถูกยาที่ก่อให้เราเว่งกันนิ้วให้วุ่นเลยถ้าเราทุกข์แต่เราแสดงว่าเรายึดติดเราไม่เห็นอนัตตาเราไม่เห็นอนิจจ์ไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการยึดติด พี่เต๋อพี่เต๋อเขาถาเรื่องหอยกองแล้พี่หลนจริงมาทั้งสองปีนี่มันก็พูดเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมอย่งนี้นะแ่เราไปแล้วกะลืมคือเวลากลับไปฟังซีดีที่อัดไวแล้ว <Wars> ฟังแต่ละวันเราก็ได so ้เหมือนกันเนทั้งๆที่คพูดเดียวกับที่อาจารย์สอน คิดไปอีกางคือเวลาเราเวลเราเวลารับสมัครแก้วถ้าใจเราไม่นิ่งใจเราไปอย่างเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้รับบเวลาฟังเนี่ความจริงเราไม่ได้ฟังตลอดอันนี้เราฟังไปเดียวความคิดยังแรกเข้ามาแล้วก็ไปคิดถึงไอ้เรื่องที่เราคิดอยู่ไอ้เรื่องขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะไม่เข้าไปในใจออแต่พอมาฟังคราวหน้าอ่ะพอดี มันเข้ามาตอนไหน ก, ก็เลยเหมือนกันไม่ได้ฟังมา ก, ก่อนใ น, นการฟังธรรมท่านเป็นบัวต้องฟังเรื่อยๆฟังเลยแม้กระทั่งของที่อัดทีปไว้ก็เหมือนกันบางทีก็เวลาเราฟังแต่ละครั้งอาจจะรับไปได้เพียงสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นอยู่กับสติมีสมาธิของวใจเราถ้าใจมีสมาธิมากมันีก็จะรับได้มากเนีการบรรลุธรรม ก, ก็ขึ้นอยู่กับสมาธินี้เป็นส่วนหนึ่งอย่างเวลาขณะที่ฟังธรรม มีท่าปัญญาพักคือห้ารูปแต่มีอยู่รูปเดียวที่บรรลุได้ก่อเพราะจิตของท่านสมาธิของท่านอาจจะหนักแน่นกว่าองค์อื่นไมได้ฟังได้ติดตามได้ทุกขณะหรือว่าอาจจะเป็นปัญญาของท่านก็ได้ว่าท่านสามารถที่จะพิจารณาตามได้แล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีเลยมันก็มีทั้งสองส่วนทั้งทังสมาธิและปัญญาที่เรามีอยู่เดิมอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่จะ เป็นปัจจัยเกื่อหกับในเรื่องของการที่จะบรรลุฌานนี้เองสำคัญมีคำถามแตไม่ใา่คำถามของลูกนะคะออกัวก่อนก็ถาะน้องก็อยากให้ลูกจับถูกข่าวเนี่ยนี่นี่ก็จะบถูกข่าวเนี่ยมันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเราเราไปไปลงมัน แล้วถามคุที่ถามคุณก็ถามดิใช่ค่ะแ้สร้งตู้กด้จกวยด็อกนะคะกับหนังสือธรรมะอันไหนจะได้ดีอยู่กันนี่มันก็ขึ้นอยู่ที่ประโยชน์ความจำเป็นถ้ามีหนังสือไม่มีตู้มันมีตู้เก็บไว้มันก็ดี จะได้รักษาหนังสือให้อยู่ได้นานเนี่ยถ้ามีตู้ถ้าถ้ามีตู้แต่ไม่มีหนังสือตู้มันก็เหมือนตู้ใส่เสื้อผ้ามีหนังสือด้วยมดตู้หนังสือเพาะทานหลักษาสังหวัรไม่มีตู้ที่ใส่เก็บพระถาวรไได้ก็ดีท่าวันไหนไม่มีหนังสือธรรมะตอนนี้ก็เป็นธรรมทานก็เป็นธรรมทานก็เป็นธรรมสอนของพระพุทธเจ้า ที่เข้าใจแล้วไม่พิจารณาเรื่องความตายที่ที่ลูกที่ไปเห็นเรื่องราวไม่ดีอะอย่างนี้เวลาพิจารณาความตายไม่พูดพิจารณาถึงตัวเราคนอื่นทุกคนเลยทั้งเกี่ยวข้องแล้วก็ายในก็คือตัวเรากายนอกก็คือกายของผู้เหมือนกันพอพิจารณาเราวจะได้เห็นว่าเหมือนกันถ้าพิจารณาเราคนเดียวเราจะคิดว่าเราไม่อาจเชฉาเรื่องเกินน้ำมัต้องแก่ต้องเสียต้องตายนเเป็ ถ้ไม่คิดถึงแต่คนอื่ก็จะทําให้เราคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดไม่ตองคิดทั้งเขาทั้งเราทั้งสองก็คิดเราก่อนแล้วก็คิดเขาแล้วตอบแล้วก็คิดทั้งเขาทั้งเราพร้อมกันไปเลย <c oughs> เราอยู่ในเรือลาเดียวกันหมดต้ <c oughs> องไปหาสุภาพเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทุกคนไม่มีใครแตกต่างกันมีอาการสามที่สองเหมือนกัน ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายแต่ท่านบอกว่าถ้าสําหรับชายก็ต้องพิจารณาของผู้หญิงของผู้หญิงก็ต้องพิจารณาของผู้ชายก็จะได้คลายความความกําหนัดทุนดีในเพศของัายแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราชอบผู้หญิงเราก็ต้องพิจารณาของผู้หญิงไปถ้าเป็นผู้ชายแล้วชอบผู้ชายก็ต้องพิจารณาของผู้ชายไปสมัยนี้มันมีหลายหลายแบบสมัยก่อนมันมีแค่แบบเดียวคือ คนที่หน้าตาดีๆแบบแจลาแล้วคนไที่เราคนไหนที่เราหลงรักเเราหลงลรลงลักคนนั้นเราต้องทุกขนานนาน์ในะเราต้องลงนอนกับทบักหเนะนทำไมเวลามีลมหายใจอยู่นอนกันได้เพราะไม่เพราไม่หายใจก็ไม่ได้นอนอ่ะ <c oughs> มันก็มัน ก, มน ก, มนก็มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้หายใจทำงนเ้าเนคนกลววัวผีค่ะเ <laughs> อาเวลาไม่ตายไม่มีมไม่มีผีเ <laughs> <as> ลยคลายท้องก่อน น, นะ <c oughs> คลายก่อกกน ใครๆได้ไปก็ชอบทุกคนเพราะเขาไม่ได้อ่านชวนอื่นเนี่ยก็อ่านแต่ชวนที่เขาได้ไปแต่คจริงถ้าอ่านซุกเล่มเนี่ยมันจะมันจะมันจะเริ่มเห็นว่าเออมันก็มันกะว่ามันเป็นเป็นหนังเก่าอมาใช้ใหม่แต่ก็เหมือนละครสมัยเนี่ยเมื่อสมัยที่โยมดูสมัยก่อนเขาก็เอามาเออเอามาบ้านทรายทองเนี่ยไม่รู้อะไรไม่รู้บ้า ธรรมะก็มีการนิจจังทุกขรั้งแล้วนักตาทางสียงาวนาก็มันก็ไม่รู้มากี่รอบแล้วมันก็วนไปวนมาแต่สงปีที่ผ่านมาทุกครั้งก็ไม่เคยมีอะไรมีความสุขว่ามันไม่เหมือนในครั้งก่อนหรอในยามเมื่อมันแสดงสนเงี้ย ม, มันไม่ได้เอมันไม่ได้ออกเทปมาเปิดให้ฟังอเอาเทปมาเปิดให้ฟังเนี่ยมัก็มันจะจะรู้สึกว่าเออมันมันของเก่า แต่ทุกครั้งที่เราพูดดิถึงแม้จะเป็นเรื่องเรื่องเก่าแต่การพูดดิมันมันมีมีองค์ประกอบที่ต่างกันใชค่ะน้องเด็กฟังนี่แม้แต่บางมันจะมีเกะเก๊ดเรื่ๆเล้าไว้ไม่เหมือนยันไม่เหมือนใช่ไหมฟังเรื่อยๆมันก็มันก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆธรามะนี่ก็เหมือนเหมือนกั็นเป็นเหมือนกับจิ๊กซอ่เวลาเราฟังทีเราก็เหมือนเราได้มาชิ้นหนึ่งฟังอีกทีเราก็ได้มหม่กชิ้นหนึ่ง มราต่อต่อเข้าต่อไปแล้วก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะให้มันชัดจริงๆแล้วเราอาไปปฏิบัต oui, like e ิมันจะชัดกว่าเพราะสิ่งที่เราได้ยินในฟังนี้มันเป็นสัญญามันเรียนได้ท่านผู้สอนว่าฟังแล้วต้องเอาไปค่ายควรต่อเอาไปภาวนาต่อหรือต้องเอาไปเราเล่นอยู่เรื่อยๆเล่นอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา จนมันมันฟังอยู่ในใจเป็นจนกระทั่งกลายเป็นสัตว์จะความคิด ข, ขึ้นมาในใจของเราถ้าเป็ น, ปนถึงตอนนั้นแล้วมันจะไม่มเดินเหมือนคราวที่แล้ว ท, ที่ที่พูดให้ฟังว่ามีมีคนถามว่าผ้าหันลืมลืมได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เพระผ้าหันก็มีขันเหมือนเหมือนตุตุชนขันยาก็อนิจากันยานิจารวสวขกันเนี่ยขันยาก็ไม่เกี้ยง จำได้ก็ลืมได้เื่อนจำวันที่เดือนปีเท่า น, นี้มาครั้งนี้ยเดี๋ยวสักเดือนหน้าเลือสองสองปีถามว่ามาวัน ม, มาคราั้งนี้วันที่เท่าไหร่จำไม่ไดแ้แต่แล้วเขาก็ถามว่ามีสิ่งไหนที่ท่านไม่ลืมไหมแล้วก็มีเพราะว่าอะไรก็สัจธรรมสัจธรรมคืออะไรก็ข้าลายญาติเศส ถ้าปฏิบัติแล้วมันจะไม่เลวมันจะรู้เลยว่าเวลาทุกข์ทุกข์ก็ตัณหาขึ้นมาทันทีเลยไม่ไปโทษใครเลยเวลาเราทุกข์ใจไม่สบายใจเราไม่ต้องไปโทษใคร เ, เลยโทษอะไรสามตัวนี้ได้เลยมันพอเราไปยึดไปติดประหยากท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปยึดไปติดแล้วรับรองแล้วไม่ทุกข์ฉนั้นต้องพยายามทําให้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ให้เป็นสัจจค ให้เป็นเป็นของเราให้เป็นธรรมของเราตอนนี้ยังเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เราเอาธรรมพระเจ้าเข้ามาแล้วเราต้องเอาเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติมันเปันยามันเป็นยาอยู่กับใจเราไปตลอดงั้นอย่าหาข้ออ้างข้อหาช่องทางที่จะหลบเรื่องการสติไม่มีทางนสอน ตอริยปฏิบัติแะปฏิเวทต้องได้ยินได้ฟังก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเมื่อ ร, รู้แล้วเราก็ต้องออกไปทํามื่อทําแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาจะข้ามขั้นไม่ได้จะตอริ ย, ยแล้วข้ามไปปฏิเวทเลยไม่ได้ซึ่งสมัยนี้ก็ทํากันนะพระถ้าเรียนจบปริญญาเก้าท่านก็ได้รับท่านก็ได้รับปริญญาได้รับพัตยศ ได้ผลแล้วท่านก็ไม่ได้ไปปฏิบัติท่านก็ไปสอนต่อเลยสอนกันอย่างที่เป็นอยู่ในเมืองนี้ที่ก็สอนกันแต่ถ้าเป็นพระทางพระป่านี่ท่านจะเรียนแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไป อ, อยู่กับครูบาอาจารย์เวลาท่านอบรมนี่ก็เป็นสนัตว์ญาณแล้วแล้วก็อยู่กับท่านท่านก็สอนให้ปฏิบัติเช้าก็พาพาบินกระบะพาฉันมือเดียวพาฉันในบาท นี่ก็เป็น s s <laughs> การปฏิบัติแล้วกอให้นั่งสมาธิเดินจงกลมขอให้พิจารณาทำต่อตอันนี้ที่ได้เข้าไปดูต่างระดับกัได้ดูแล้วขันตอนภาพบนเว็บแล้วก็ถอมออกมาที่หลวงพ่อเพียรหลวงพ่อเพียรี่ดีมาป่วยไง มออมราฝากฝากท่านอาจารย์มาด้วยนะค่ะหมอบอกไม่ได้ฝากท่านาหลายปีแล้วแต่รน้ท่านไม่คอยไม่ค่อยเตจะรปาสิบกวารท่านเก้าอแค่แค่ปดสกว่าแล้วกันรุ่นเดียวกับท่านจำดีมีคดีาวันนี้ท่านเวลานั่งท่านจะนั่งต็ดกัน ตอนดวงตาแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีท่านอาจารย์ดวงตาแล้วก็ท่านอาจารย์อินเน้ท่านอาจารย์อินโดงท่านอาจารย์เพียรนี่ท่านเป็นอาคันตุกะท่านไม่ได้อยู่ที่วัดละทนมารายงานเข้ า, ามาเพื่อแล้วรองมาก็เป็นท่านอาจารย์อินท่านอาจารย์ปยยัญญาท่านเชอรี่ท่านอาอินก่อนท่านจะปัญญาเหรอคะ ต่างภาษาต่างต่างเดือนต้องภาษาเดียวกันท่านบวชท่านได้เป็นเนท่านบวชท่านไดเป็นเนท่านบวชในราคารู้สกจนี้ท่านอายุหกสิบสองมั้งอาจา่านก็สี่ชี่สิบสองภาษาท่านบวชได้เป็นเนนแต่ท่านปัญญาท่านท่านไปท่านบวชที่เป็นมหานิทยายมาก่อนแล้วท่านมายัที่วัดวัดบว ท่านักของมาอานิการด้วยท่านอาจารย์ปัญญาก็จะพันสามากกว่าท่านอาจารย์เองท่านอาจารก็เป็นท่านอาจอุ่นท่านอาจารยื่อก็รู้สึกจะจะพันสาบมากกว่าท่านอาจารย์เองแตกต่างกันแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เห็นนั่งฉันนั่งกันเห็นในรูปที่ฝึกเมียถ้าจะดีก่อนถ้าจะอุ่นก่อนท่านอาจารย์อื่นแล้วก็ท่านปัญญาท่านเขียนนี่ ตอนนี้ก็ลุงสิริวัฒน์นั่งก็คงจะเป็นท่านสุดใจแล้วนะท่านเป็นสุดใจอาตมาอยู่อาตมาก็นั่งตินท่านสุดใจขึ้นกัก่อนท่านจารชัใช่ไหก่อนสองพรท่าท่านอาจารย์สุดใจก่อนอาตมาสองพราท่านดิอ่หลังนี่ันนี้ก็อยู่ท่านเดียวกับท่านอาจารย์ชัย่ยษาเดียวกัน วันนี้ได้ท่านท่านกลับมาเื่อเช้าท่านมาค่ะที่สวนที่สวนสุจิตราค่ะท่านมาเห็นนี้ท่านจะไปจำบรนทายอยู่ว่าท่านคิดที่น้ำหนาวค่ะท่านไปอยู่ที่ไหนมาก่อนท่านกลับมาจากที่ไหนกลับมาจากเมการเมกาเมกาท่านมากราบท่านในการทูนเลยพอดีท่านเข้ามาที่สวนสุจิตราค่ะแล้วท่านเป็นทูนวะชัที่นั่นก็เลย ที่ท่านท่านเจนทท่านเ อ, อรับเป็นประธานกรรมการในการก่อสร้างเอเจดีย์ขององค์ปูองค์ปู่มหาบัวค่ะครับเปิดคราวนี้ที่ร้อยเอ็ดค่ะที่ท่านเปล่าว่าท่านไม่อยากให้ทําพระพุทธรูปไปเพื่อให้การมีการเช่าเพราะเหมือนจะเป็นสินค้าท่านก็เลยรับเข้ามาดูแลเรื่องนี้แทนคือให้บริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรตอบแทนค่ะคือ จะได้อ น, นินสูงมากจะได้ดีมากถ้าการไปบริจากเพื่อหวังเสียนันสินี้กลับมานี่มันจะไม่ได้เป็นการเป็นการทองดินเป็นการคิ้ไขายผู้ที่จะได้รับประโยชน์คือผู้ที่บริจาคก็จะไม่ได้รับประโยชน์เราเบริจากเพื่อเราลดละสัตความยึดติดในทรัพย์สินเงินทอง ก็เท่ากับตัดการมาสุกแล้วเราก็ยังเอาเงินนี้ก็ไปช่วยความสุขต่างๆตัดการมาตั้งหาไม่มีเงินเอาเงินไปที่อบริจาก็ไม่มีเงินไปเที่ยฮ่องกงเนี่ยจ้อยากให้ลูกาบอกพอใจพอใจคะนั้นก็ ก็จิตใจของคนเรามันมีหลายระดับนไงมันระับผู้ใหญ่ก็มีระดับหมก็มีก็เป็นธรรมดาก็ต้องพัฒนากันไปเข้าใจแล้วก็เห็นใจไม่ไม่ไม่ตำหนิไม่ว่ากันใช่ไหมผู้ใหญ่จะไมไม่ผู้ใหญ่จะไม่ตำหนิเด็กไม่ไม่ไม่ว่าเด็กหรอกแต่ถ้าผู้ใหญ่ไปทําตัวเหมือนเด็กเนี่ยมันน่าอายถ้ารู้แล้วยังไปทํายังอยาก น่ารู้เลยยังอยากจะให้ท่านยิ้มให้เงี้ยแต่พอมองต่อขอไวหนึ่งค่ะโอ้จะจะเรื่องที่โดนหลายคนเลยนะเวลาที่หลายคนในที่นี้คุณโอ๋ทั้งลูกด้วยค่ะุ่งขึ้นเช้าจะมาแถาทีโอต้องมีความสุขเลยคะต้องการเวรและกันตรงๆก็ไม่เป็นไรหรอกก็ทำไปก็แล้วกั เรื่องนี้เราถือว่าเป็นเรื่องตื้ ย, ย่อยอย่าให้มันถึงกับเป็นขั้นแต่ว่า <c oughs> มันเป็นทุกขึ้นมาแล้วกันเช่นต่อไปอาจจะไม่ได้ทำบุนกับท่านแล้วเราก็ต้องสามารถทำต่อไปได้เหมือนเดิมทำเพื่อชำระใจเ่าสำคัญ จะทําทกับใครก็ได้หรือถ้าทำกับพระมัทธเจ้าด้านนั้นก็ได้ประโยนมากในดินแรกด้ดทำทำใจากท่านโดยตัวือพระพระสุปภัทิสมนึกแต่ถ้าไม่มีก็ทําทกับใครก็ได้ที่ทำให้เราได้ช่วยเหลือเขาแล้วทําให้เรามีภาคสุตใจทำให้เราไม่ยึดไม่ติดกับชอบสมบัติเจ้าของเงินทองอย่าง น, น, นี้ก็ได้ ถ้าถ้าเราไม่ยึดติดเราจะไปหลุดพ้นได้เลยไงเราต้องเราต้องไม่ยึดไม่ติดกับเราเท่าที่เพิ่งจะหลุดได้คาว่าหลุดนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ติดถ้ามันติดมันก็ไม่หลุดนะบรรยากาศความอิงความพอกับความความหิวนี้มันมันอยู่กันด้วยกันไม่ได้ ถ้ามันหิวมันก็ไม่พอถ้ามันยังอยากอยู่มันก็ยังไม่พอถ้ามันพอแล้วมันก็ไม่อยากที่เราทำทุกวันนี้ก็ทำเพื่อให้มันเกิดความพอขึ้นมาโม้ขุกนกลัวแล้วเนะ น, นี่ยต่อไปคือ้ายย้ายตอ